พรตันสุวรรณและนาวาเอกสนิทเฟื่องระบินวิทยาศาสตร์บัณฑิต BSc AM IEE ข้อพิสูจน์จากสมการทางฟิสิก์และการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายท่านเช่นไอสไตน์แลงเกวินเซอร์จักดิชที่จะพิสูจน์ให้เห็นชัดในเรื่องทศพ ล, ลยานอันเป็นพุทธคุณที่สำคัญเรื่องยานอภิญญารู้การจุติลอุบัติของสัตว์ทั้งปวง สภาพชีวิตในรูปแบบนามธรรมหรือโอปปปาติกะเรื่องอายุของเทวดาและอื่นๆว่าเป็นจริงตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรรวมถึงหลักปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งไตรลักษณ์เรื่องพลังงานนามธรรมหรือวิญญาณแฝงในวัตถุความเป็นอนัตตาของทุกสรรพสิ่งที่หลักทางวิทยาศาสตร์อธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ชัดถึงข้อมูลในพระไตรปิฎกว่าเป็นสัจธรรมแท้จริง แม้ในสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็ตามมีพุทธวจนะตรัสไว้ชัดเจนในอภรณกาสูตรถึงมิจฉาทิฏฐิเช่นการเชื่อว่าปรโลกคือโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะคือผีสางเทวดาไม่มีผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญาและประกาศให้ผู้อื่นรู้ด้วยไม่มีสิ่งที่มีจริงแต่เชื่อว่าไม่มีย่อมเป็นมิจฉาทิฏฐิ สิ่งที่มีแต่คิดว่าไม่มีย่อมเป็นมิจฉาสังกัปปะสิ่งที่มีจริงแต่พูดว่าไม่มีย่อมเป็นมิจฉาวาจาผู้ที่เชื่อคิดและพูดเช่นนั้นย่อมเดินสวนทางกับอริยมรรคมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์คือขัดแย้งกับพระอรหันต์จึงไม่มีทางบรรลุธรรมได้จะเห็นได้ว่าเรื่องเหล่านี้ก็มีความสำคัญที่ควรทำความเข้าใจให้ตรงว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งแม้เราจะปฏิบัติไปจนพิสูจน์ชัดด้วยตัวเองไม่ได้แต่ก็มีวิธีศึกษาในบางแง่มุมที่พอจะทําให้เข้าใจได้ในระดับหนึ่งจนเชื่อว่าน่าจะมีจริงโดยเฉพาะการได้ศึกษาข้อมูลที่อธิบายธรรมร่วมกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะส่งให้คนอีกมากเข้าใจศาสนาในเชิงลึกจนสิ้นสงสัยกับหลายเรื่องที่ปรากฏในคัมภีรซึ่งความลังเลสงสัยนั้นเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งที่ขวางการบรรลุธรรมเช่นกันนะครับ การศึกษาในแง่มุมนี้จะช่วยสืบต่อศาสนาได้มั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่จะเชื่ออะไรต่อเมื่อมีวิทยาศาสตร์รับรองเท่านั้นและคนกลุ่มนี้ก็มากเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในสังคมเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นคนไม่มีศาสนาเยอะกว่าเดิมหลายเท่าและพากันมองว่าวิชาศาสนาไร้สาระไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะรู้สึกว่าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้จุดสําคัญก็คือ เชื่อว่าตายแล้วศูนย์คนที่เชื่อว่าตายแล้วจบก็ย่อมจะคิดไปว่าจะทำดีไปทำไมหรือทำดีให้พออยู่ร่วมกันได้เท่านั้นไม่เห็นความจำเป็นต้องลำบากอดกลั้นกิเลสหรือศึกษาศาสนาไปทำไมในเมื่อตายแล้วก็จบกันเสียเวลาทรมาหากินเสียเวลาเสพสุขเปล่าๆถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมหรือรักษาศาสนาให้ยืนนานมั่นคงเราต้องจ่ายยาให้ถูกโรค คือสอนที่ถูกระดับของวัยและสติปัญญากับความสงสัยอยากรู้ของเขาด้วยซึ่งคนทั่วไปมาสนใจว่าผีมีจริงหรือไม่ตายแล้วไปไหนเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้แต่เรากลับมาย้ำกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาเหล่านี้ทั้งที่ทรงตอบกับหลายคนมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรจนผู้ฟังบางท่านเกิดสลดสังเวชขอบวช จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาแต่การเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะเป็นประโยชน์จริงต้องเป็นในแง่เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าทําอะไรจะได้รับผลอะไรไม่ใช่เชื่อว่ามีจริงเพื่อไว้กราบไหว้อ้อนวอนหรืองมงายในอํานาจนอกเหนือหลักกรรมซึ่งเป็นแนวทางที่อาจารย์พรท่านมุ่งหวังให้เข้าใจในแง่มุมนี้เป็นสําคัญนะครับมีหลักฐานมากมายที่ทําให้เห็นว่าเรื่องภพชาติก็สําคัญและส่งผลดีเช่นกัน แต่หลายคนก็ยังต่อต้านเรื่องพวกนี้โดยชอบอ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจแต่ไม่เข้าใจว่าที่ตรัดแบบนั้นเป็นเรื่องของคนบางคนเท่านั้นเช่นในบางกรณีเขาถามในเชิงอภิปรชัชญาที่ไม่ว่าตอบแบบไหนก็ไม่เกิดประโยชน์จึงไม่ทรงตอบและบอกว่าอย่าสนใจลักษณะที่สาคัญในการสอนของพระพุทธองค์จะเห็นชัดนะครับว่าทรงสอนคนตามระดับความเหมาะสมของเขาเท่านั้น หลักธรรมแท้เข้มข้นก็เหมาะกับคนที่พร้อมจะเข้าใจคนมาใหม่ก็ให้เข้าใจพื้นฐานไปตามลำดับหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนโดยตอนต้นจะมีการอธิบายทางพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสงฆของไทยผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและการทาสมาธิวิปัสนาหนึ่งในผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย ซึ่งหลักสําคัญส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านมักพูดถึงเป็นประจำปรากฏอยู่ในหนังสือหลายเล่มโดยที่ท่านเจตนากล่าวย้ําเสมอเสมอในประเด็นสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจให้จำแจ้งที่สุดให้ได้ก่อนและเพื่อเป็นการทบทวนความจําอีกครั้งโดยปูพื้นฐานให้คนมาใหม่ไปพร้อมกันด้วยต่อด้วยการนําเอกสารการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกคือทันเซอร์จัคดิชชันดราโบสนักฟิสิกส์และสรีรวิทยาทางพืช ที่พิสูจน์จนยอมรับว่าทุกสรรพสิ่งมีวิญ ญ, ญาณแฝงอยู่จริงซึ่งตรงกับพุทธวจนะว่าวิ ญ, ญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงและบทความของคริสมารฮัมฟรีนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทางสมาธิวิปัสนาและเชี่ยวชาญในคัมภี์ทางพุทธทั้งสองนิกายและยังยกแนวการแสดงธรรมแบบเซนจากสูตรของเว่ยหลังที่ท่านพุทธทาสเป็นผู้แปลมาอธิบายประกอบว่า เกี่ยวข้องและมีทัศนะตรงกันในเชิงลึกอย่างไรอันจะเกิดประโยชน์มากในการศึกษาให้เข้าใจในด้านต้นกําเนิดแห่งสรรพสิ่งที่เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงและส่วนที่2ของหนังสือคือการอธิบายสมการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับคําสอนของพุทธโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงซึ่งท่านก็แตกฉานทางศาสนาด้วยจากหนังสือเรื่องความอัศจรรย์ของธรรมชาติโดยนาวาเอกสนิทเฟื่องระบิน ที่มุ่งเน้นอธิบายสมการทางฟิสิกของนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นที่ยอมรับอย่างไอน์สไตน์และแลงเกวินเป็นต้นเพื่อให้เห็นว่าตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และตรงกับหลายเรื่องที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องอภิญญาที่เป็นความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัยสำหรับการศึกษาในแนวนี้และโดยเฉพาะหนังสือที่เรียบเรียงหรือเผยแพร่โดยอาจารย์พรนั้น แนะนำว่าหากเจอข้อความที่ขัดกับความเชื่อเดิมหรือไม่เข้าใจขอให้ผ่านไปก่อนอยากให้ลองเปิดใจฟังให้จบก่อนแล้วค่อยพิจารณาอีกครั้งและจะดียิ่งขึ้นหากมีเวลากลับมาฟังซ้ำอีกหลายหลายครั้งซึ่งจะทำให้เข้าใจในเชิงเลึกได้มากขึ้นสิ่งงานโดยอริยคุณร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลกักรอบรัวจินวัฒนากุลชัยรอบรัวเกษราธิคุณเง็กหงแซลิมเจ้าภาพรองรอบรัวสีโพคา รอบครัวทาทองรอบครัวอิมวงศรีรอบครัวทิพทานทองจุติมาโล่งจิตวิรัตทรงพลภูนศรีชังพินิษสัตตบุตรและการศ ส, ส, สินชูเลิศดร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จัดท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุมโมทนาสภัทธานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์โดยพรรตนะสุวรรณข้อความในหนังสือเล่มนี้คือเอกสารทางวิทยาศาสตร์ขั้นโลกุตระที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหลักอภิญญาในพุทธศาสนาซึ่งมักเข้าใจกันว่าเป็นไปไม่ได้นั้นเดี๋ยวนี้อธิบายได้แล้วด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วรับรองว่าเป็นไปได้ทั้งสิน้น สิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าศาสสารและพลังงานนั้นยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพรสาะศาสสารพลังงานเท่าที่ทางวิทยาศาสตร์รู้จักกันนั้นเป็นเพียงเรื่องวัตถุซึ่งทางพระพุทธศา ส, สนารวมเรียกว่ารูปและนอกจากรูปอันนี้แล้วก็ยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือวิญญาณหรือใจซึ่งเป็นนามธรรมและสิ่งที่เป็นนามอันนี้เท่านั้น ที่เป็นต้นกำเนิดของวัตถุทุกอย่างเพราะเหตุไรหลักวิทยาศาสตร์จึงมาตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งที่การศึกษาและค้นคว้าดำเนินมาต่างกันคํโปรยปกหลังวิทยาศาสตร์ยิงก้าวหน้าไปเพียงใดก็ยิงสนับสนุนหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นเพียงนั้น ทั้งๆ ท, ที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในขั้นเริ่มแรกแต่คนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นก็มักจะดูถูกพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอภิญยาโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยผิดธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เรื่องเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในคมพีพระไตรปิฎกอย่างมีหลักฐานและชัดเจนว่าเป็นพุทธพจน์ ถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์กันออกมาให้ข่าวสะอาดจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าความรู้ในเรื่องอภิญญานั้นเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้พระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติครบตามหลักอภิญญาทุกประการแล้วตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ในฐานะที่ไม่มีรากฐานอันมั่นคงเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะไปถามใคร ซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงบุคคลที่มีการศึกษาดีว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติตรงตามหลักในอภิญญาทั้งหมดจริงหรือไม่น้อยคนมากที่จะยืนยันด้วยความแน่ใจว่าพระองค์มีจริงส่วนมากจะแสดงความไม่แน่ใจหรือไม่ก็บอกปัดไปโดยกล่าวว่าเรื่องปฏิหารต่างๆไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกจะยอมรับกันอย่างแน่ใจ ก็แต่เพียงเรื่องการละกิเลสแต่ที่จะให้ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครกล้ายอมรับหมายเหตุผู้อ่านมีพุทธพจน์ปรัสไว้ชัดนะครับว่าการไม่เชื่อว่าพิน ญ, ญามีจริงนั้นถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิส่วนตัวแล้วได้เจอกับคนที่มีสัมพันธ์พิเศษหลายคนนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการอ่านใจนั้นเจอมาเยอะมากที่คุยกันแล้วสามารถรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรแม้ขณะพิมพ์คุยกันก็ยังรู้ว่าจิตขนาดนั้นเป็นอย่างไรคิดถึงเรื่องอะไรคำปรารพจากสนักพิมพ์ตลอดชีวิตของอาจารย์พรที่ผ่านมาไม่เคยทำงานด้านอื่นเลย นอกจากงานทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นงานการสอนการศึกษาค้นคว้าในทางพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้คนทั่วไปได้เชื่อในเรื่องกฎของกรรมตายแล้วเกิดเรื่องวิบากเรื่องอบ ป, ปาติกะเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตเรื่องสังสารวัฏแล้วเรื่องสมาธิวิปัสสนาในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดความสงบเยือเกเย็นในจิตใจอยู่เสมอตลอดเวลาในทุกเหตุ ก, การณ์ ท่านได้รับรางวัลเสมาธรรมจักใบประกาศเกียรติคุณสาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2533คำนำในสมัยที่คนไทย เ, ยเริ่มมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และตื่นเต้มในผลงานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อหลายสิบปีมาแล้วซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ามามากเหมือนในสมัยปัจจุบันทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างตามที่ยึดถือกันในสมัยนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับในสมัยนี้แม้ในสมัยนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ถูกต้องทุกอย่างแล้วอันที่จริงยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปอีก แต่ถึงกระนั้นทั้งๆ ท, ที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในขั้นเริ่มแรกแต่คนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นก็มาจะดูถูกพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอภินยาโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยผิดธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรื่องเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในคมภีพระไตรปิฎกยังมีหลักฐานและชัดเจนว่าเป็นพุทธพจน์ คนที่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องอภิญญานั้นไม่มีแต่เพียงนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นแม้แต่คนที่ได้บวชเรียนมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอ่านพระไตรปิฎกได้เองก็ยังมีเป็นจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และก็คิดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นไปไม่ได้และที่สำคัญก็คือความรู้ในเรื่องอภิญญาเช่นเจโตปริยญาณ การอ่านใจคนได้อุเพนิวาสารุสติยานการระลึกชาติได้จุดตูปปาตยานยานที่ล่วงรู้ถึงชีวิตหลังจากตายเพราะสามารถมองเห็นโอปปาติกะและติดต่อกับโอปปาติกะได้ยานต่างๆเหล่านี้เขาคิดว่าไม่ใช่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งนี้ก็เพราะความไม่แน่ใจว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้นั่นเองความเข้าใจผิดหรือความรู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องเหล่านี้ได้ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเพราะเมื่อเชื่อกันอย่างนั้นเสียแล้วก็ทำให้ไม่มีการค้นคว้ากันอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเพื่อหวังผลในทางนี้โดยตรงก็ไม่ได้จัดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ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 ส่วนมากจะแสดงความไม่แน่ใจหรือไม่ก็บอกปัดไปโดยกล่าวว่าเรื่องปฏิหารต่างๆไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกจะยอมรับกันอย่างแน่ใจก็แต่เพียงเรื่องการละกิเลสแต่ที่จะให้ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครกล้ายอมรับวิสัยของคนที่ทำอะไรก้าวหน้าอยู่เสมอ แม้ว่าสิ่งที่ทำมาแต่แรกจะมีข้อผิดพลาดแต่แล้วในที่สุดเขาก็จะมีความสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นโดยลำดับดังเช่นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ซึ่งเมื่อเทียบกับสมัยก่อนขึ้นในสมัยร้อยปีหรือหลายสิบปีล่วงมาแล้วจะเห็นว่าในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปไกลมากไปไกลจนกระทั่งหลักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในปัจจุบันนี้บางอย่างตรงกันข้ามกับหลักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อน เช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องปรามานูและห่วงอวกาศความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงนี้ยิงก้าวหน้าไปเพียงไรก็ยิ่งทำให้เห็นชัดว่าหลักอภิญญาในพระพุทธศาสนาเป็นความจริงข้อความในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขียนขึ้นโดยนาวาเอกสนิทเฟื่องระบินแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถเอาหลักวิทยาศาสตร์ มาอาธิบายและพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าหลักอภิญญาในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมในหนังสือเล่ม น, นี้มากซึ่งถึงแม้จะเป็นบทความที่เขียนขึ้นอย่างสั้นๆแต่ก็มีสาระอย่างมากมายคนที่นับถือวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาของตัวถ้าหากเขาเป็นคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จริงแล้วเขาก็จะยอมรับความจริงในทางพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธายอย่างสูง อย่างเช่นนาวาเอกสนิทเฟื่องระบินเพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นแม้จะสูงส่งสักเพียงไรก็ช่วยแก้ปัญหาชีวิตของตนเองไม่ได้ทุกอย่างช่วยให้คนเราพ้นทุกข์จริงๆไม่ได้แก้ได้แต่ปัญหาเฉพาะหน้าและก็เป็นการแก้ชั่วคราวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ดีมากสาหรับความเจริญทางพระพุทธศาสนาในอนาคต เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่หละจะช่วยทำให้คนเราเข้าถึงศาสนาได้ง่ายโปรด จ, จำไว้ให้ดีว่าพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตทั้งในทางส่วนตัวและในทางส่วนรวมถ้าหากคนทั้งหลายจะให้ความสนใจต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกับที่ให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์แล้วประเทศไทยก็จะก้าวหน้าไปไกลกว่านี้มาก ความยุ่งยากต่างๆตลอดถึงภายจากลัที่ที่ตรงกันข้ามกับทางศาสนานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยแต่นั่นย่อมหมายถึงว่าจะต้องสามารถนำเอาหลักพระพุทธศา ส, สนามาประยุกเข้ากับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยทั่วให้ได้และประยุกเข้ากันได้กับวิชาทุกแขนงอีกด้วยประเทศไทยจึงจะมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านวัตถุและในด้านจิตใจ ถ้าเมืองไทยทำได้เช่นนี้พระพุทธศาสนาก็จะมีอิทธิพลแผ่ซ่านไปทั่วทุกประเทศทั่วโลกซึ่งงานนี้จะเป็นผลสำเร็จได้จะต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงบอกไม่ถูกว่าหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้มีค่ามากส้กเพียงไรและไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เขียนซึ่งเขียน ข, นขึ้นมาด้วยใจที่เป็นกุศลนั้นจะได้รับบุญกุศลมากส้กเพียงไร อ่านที่จริงข้อความต่างๆในหนังสือเล่มนี้คนที่จะอ่านรู้เรื่องจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากพอดูทีเดียวแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลยสมการต่างๆข้าพเจ้าอ่านไม่รู้เรื่องแต่ถึงกระนั้นข้อความที่อธิบายออกมาจากสมการนั้นข้าพเจ้าเข้าใจโดยตลอดทั้งนี้ก็เพราะหลักเหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มานานแล้ว และข้าพเจ้าก็ได้เข้าใจมานานแล้วด้วยฉะนั้นจึงสามารถเข้าใจได้และข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะได้มีการชี้แจงให้เห็นว่าหลักวิทยาศาสตร์ได้มาเหมือนกับหลักทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไรซึ่งบันทึกนี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่คุ้นเคยกับทางพระพุทธศาสนาเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนามากขึนและทำให้ชาพุทธ ระหนักในศาสนาของตนเองยิ่งขึ้นอีกด้วยลงชื่อพรรัตนสุวรรณ24พฤษภาคมพุทธศักราช2511ย25พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ จากข้อความในหนังสือเรื่องความอหจษฐา์ของธรรมชาติตามพินาวาเอกสนิทเฟื่องระบินวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้เขียนมานี้ท่านผู้อ่านคงจะทราบเป็นอย่างดีว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งก้าวหน้าไปเพียงใดก็ยิงสนับสนุนหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นเพียงนั้นคนที่จะคัดค้านหลักธรรมขั้นสูงคือเรื่องอภิญญาของพระพุทธศาสนานั้นก็เพราะความรู้ในด้านวัตถุของตัวเอง ยังก้าวหน้าไปไม่ถึงที่สุดเพราะความจริงในทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้นั้นเป็นเพียงหลักความจริงของแต่ละขั้นของความจริงทั้งหมดแต่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงเป็นความจริงที่ถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาคนที่รู้น้อยมองเห็นความจริงภายในขอบเขตจากัดจึงไม่อาจจะรู้ความจริงโดยส่วนรวม แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาค้นคว้าก้าวหน้าไปเรื่อยๆเขาก็ย่อมจะมองเห็นความจริงที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยลำดับดังเช่นนาวาเอกสนิทเฟื่องระบินได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าเพราะเหตุไรหลักวิทยาศาสตร์จึงมาตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งที่การศึกษาและค้นคว้าดําเนินมาต่างกัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าไว้ในพระสูตรแห่งหนึ่งเรียกว่าอปทานสูตรว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งที่เป็นมาแล้วหรือที่จะมีมาในอนาคตที่สามารถสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะได้นั้นก็เพราะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตและความจริงของส า, ากลจักรวาลอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดจึงกระทั่งสรุปได้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูป นามแล้วรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจากข้อความอันเป็นบทสรุปถึงความจริงของชีวิตทุประเภทและความจริงของสากลจักรวาลดังที่ยกมาให้ดูนี้สำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายของพระพุทธพจน์ทั้งสองบทนี้ <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะยืนยันว่าหลักวิทยาศาสตร์ในเมื่อศึกษาค้นคว้ากันมาอย่างถูกต้องและก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว ในที่สุดก็ต้องมาลงเอยในความจริงที่ว่าสารกับพลังงานก็คือสิ่งเดียวกันเพราะสารก็มาจากพลังงานพลังงานก็มาจากสารซึ่งหลักอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุรู้แจ้งแล้วแต่ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้กันเป็นส่วนมากว่าสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าสารและพลังงานนั้นยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ราสรสารพลังงานเท่าที่ทางวิทยาศาสตร์รู้จักกันนั้นเป็นเพียงเรื่องวัตถุซึ่งทางพระพุทธศาสนารวมเรียกว่ารูปและนอกจากรูปอันนี้แล้วก็ยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือวิญญาณซึ่งเป็นนา ม, มาธรรมและสิ่งที่เป็นนามอันนี้เท่านั้นที่เป็นต้นกําเนิดของวัตถุทุกอย่างดังที่นกริจตศาสนาก็ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามนโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณหมายเหตุผู้อ่านการทดลองในจักรวาลจำลองพบว่าเกิดอนุภาคจากความว่างเปล่าได้จริง ซึ่งอนุภาคนั้นเป็นจุดกําเนิดและพัฒนาต่อมาจนเป็นอะตอมและเป็นธาตุจนไปเป็นวัตถุในที่สุดซึ่งการกําเนิดของอนุภาคนั้นเกิดขึ้นมาได้และพัฒนาจนเป็นอะตอมรักษาโครงสร้างกับอิเล็ก t รอนที่เหมาะสมจนเป็นธาตุต่างๆได้นั้นก็เนื่องมาด้วยพลังแห่งธรรมชาตินี้หรือที่แท้จริงก็คือพลังแห่งวิญญาณท่านผู้สนใจแนะนําให้ฟังจากหนังสือเรื่องวิญญาณคืออะไร จะทำให้เข้าใจประเด็นนี้แจ่มแจ้งมากขึ้นนะครับเพราะวิญญาณ น, นั้นมีหลายประเภทและวิญญาณที่เป็นต้นกำเนิดแห่งวัตถุนี้เป็นวิญญาณอีกประเภทหนึ่งต่างจากที่คนทั่วไปเข้าใจอาจเรียกได้ว่าเป็นพลังงานแฝงอย่างหนึ่งแต่เป็นพลังงานแฝงที่เป็นนามธรรมคือจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจผู้ที่จะรู้เห็นได้จริงต้องเป็นโอปปาติกะ หรือต้องทำสมาธิในระดับที่สูงพอก่อนเท่านั้นแต่ในทางทฤษฎีแล้วสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยเหตุและผลเทียบเคียงคล้ายกับที่เราหลายคนไม่เคยออกไปนอกโลกจนเห็นว่าโลกลมในตาของตนเองแต่เราก็ประมวลผลจากหลักฐานหลายๆอย่างจนเชื่อได้ว่าโลกลมเช่นกั น, นครับวิธีนี้เรียกว่าเป็นการอนุมานซึ่งหลักวิทยาศาสตร์หลายอย่างในปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นนี้เช่นเดียวกัน คือเป็นการอนุมานยังเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเมื่อ ย, ยังหาเหตุผลไม่ได้ก็อ้างไปได้แต่เพียงว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติที่ว่านี้น้อยคนที่จะเข้าใจและรู้เห็นได้จริงว่าพลังแห่งธรรมชาตินั้นก็คือพลังแห่งวิญญาณซึ่งเป็นพลังแฝงที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งแต่เป็นพลังงานด้านนามธรรมที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้หลักเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับ คำว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนามีความหมายลึกซึ้งมากคนทั่วไปเข้าใจความหมายของคำนี้ไม่พอเช่นตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าในทุกสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างก็มีวิญญาณสัญลักษณ์ของวิญญาณก็คือความรู้สึกที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาที่มีความหมายซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้จะเป็นไปยาชนิดที่รู้สึกตัวได้ หรือรู้สึกตัวไม่ได้ก็ตามก็เรียกว่าวิญญาณความรู้สึกชนิดที่เป็นไปอย่างรู้สึกตัวได้เรียกว่าวิถีวิญญาณหรือจิตสานึกความรู้สึกชนิดที่รู้สึกตัวไม่ได้เรียกว่าภวังเข้าวิญญาณหรือจิตไร้สานึกขอให้สังเกตว่าความรู้สึสสสกสที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยายที่มีความหมายนี้มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง แม้กระทั่งในเชื้อโรคและพืชชั้นต่ำที่สุดก็มีวิญญาณอันหนึ่งควรจะต้องทราบไว้อีกด้วยว่าวิญญาณไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นในสิ่งที่ไร้ชีวิตคือในวัตถุธาตุทุกอย่างก็มีวิญญาณรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมานานแล้วในหนังสือพุทธวิทยาซึ่งได้พิมพ์เมื่อพุทธศักราช2498 และต่อมาก็ได้เขียนไว้อีกในหนังสือคาบรรยายพุทธประชยาและในหนังสือวิญญาณคืออะไรหมายเหตุผู้อ่านในทางศาสนามีการสอนกันว่าพืชและเชื้อโรคนั้นไม่มีวิญญาณซึ่งนั้นเป็นวิญญาณคนละประเภทกับที่อาจารย์พรอธิบายนะครับฟังได้จากหนังสือเรื่องวิญญาณคืออะไร ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องวิญญาณโดยละเอียดนอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางพบในหนังสือที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์เช่นจันททบสกล่าวยืนยันว่าในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณและในหนังสือเรื่องสมาธิและวิปัสสนาซึ่งเขียนโดยนายเพลสมัสอัมฟรีสก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน หนังสือที่ว่านี้ข้าพเจ้าเพิ่งได้อ่านเมื่อปีพุทธศักราช2510นี่เองแต่ข้าพเจ้าคิดค้นได้ว่าในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณมาตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช2500หลายปีและการที่ข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ก็โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดและที่สาคัญที่สุดก็คืออาศัยการทาสมาธิกับการเจริญวิปัสสนา ซึ่งถ้าหากไม่มีการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนอย่างเดียวจะไม่มีทางรู้แจ้งด้ยวยตัวเองเลยว่าในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณเพราะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเป็นความรู้ที่จะต้องอาศัยญาณที่มาจากภายในและจะต้องอาศัยวิบากหรือบารมีในชาติก่อนอีกด้วยสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของสิ่งทั้งปวงนั้นมีอยู่สองอย่างคือนามกับรูปนามหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งสิ่งนี้คุณสมบัติเฉพาะของมันก็คือสามารถที่จะรู้อะไรได้และอีกสิ่งหนึ่งเป็นรูปธรรมสิ่งสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมนี้ ยอมหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนามธรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าสาสารและพลังงานหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและให้ชื่อใหม่นี้สิ่งเหล่านี้นในเมื่อการศึกษาและการพิสูจน์ยังต้องขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสหรือแม้จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ประณีตช่วยประสาทสัมผัสแม้กระนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ก็รวมเรียกว่ารูปธรรมอย่าลืมว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่ว่ามันจะวิวัฒนาการสูงขึ้นสักเพียงไรก็ตามจะถูกสร้างสรรค์ให้ประณีตสักเพียงไรก็ตามมันก็ไม่อาจที่จะรู้จักตัวมันเองและรู้จักสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวมันเพราะฉะนั้นจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่า สมองหรือระบบประสาททุกอย่างนั้นตัวของมันเองไม่อาจที่จะรู้อะไรได้เลยการรู้การเห็นหรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆไม่ใช่เกิดจากสมองไม่ใช่เกิดจากประสาทเพราะสมองและประสาทเป็นรูปธรรมสิ่งที่จะมีความรู้สึกและสามารถที่จะรู้อะไรได้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรม และอย่าลืมว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าสิ่งที่เป็นนามธรรมมีทางที่จะเรียนรู้ได้โดยตรงเพียงทางเดียวเท่านั้นคือทางมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจและมโนสัมผัสนี้สามารถที่จะทำให้พระนิตขึ้นได้โดยลำดับโดยวิธีทางสมาธิเพราะฉะนั้น การเรียนเรื่องวิญญาณเมื่อต้องการที่จะเรียนรู้ให้ละเอียดจึงต้องฝึกสมาธิให้สูงขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งสามารถที่จะกําหนดการเกิดดับของวิญญาณหรือมองเห็นการเกิดดับของวิญญาณได้ทันตามความเป็นจริงเหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามหาทางมองให้เห็นการเกิดดับของกระแสะไฟฟ้าจนกระทั่งสามารถที่จะบอกได้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งวินาทีกระแสะไฟฟ้า มีการเกิดดับกี่ครั้งการศึกษาเรื่องวิญญาณจะต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักสำคัญในเมื่อ น, นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากไม่สนใจเรื่องสมาธิหรือสนใจแต่ไม่สามารถจะฝึกสมาธิได้ถึงขั้นสูงฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะอย่างรู้ได้ว่าวิญญาณอยู่ในสิ่งทั้งปวงโครงสร้างและคุณสมบัติของวัตถุเกิดขึ้นมาจากวิญญาณในวัตถุ ถ้าสามารถเปลี่ยนสภาพของวิญญาณในวัตถุได้ก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของวัตถุได้เปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้โดยปกติก็ได้มีอยู่แล้วในสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงนั่นก็คือการที่คนเราหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายกินอาหารเข้าไปแล้วอาหารก็กลายเป็นส่วนต่างๆของร่างกายกลายเป็นส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์รู้ดีแต่ไม่มีใครเฉลียวใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปซึ่งคำว่ารูปในที่นี้ก็หมายถึงส่วนต่างๆของร่างกายและพฤติกรรมต่างๆของร่างกายทุกอย่างในร่างกายมีความหมาย คือมีจุดประสงค์มีเจตนาอธิบายได้ ว, ว่าทำไปเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรมีหน้าที่อะไรเป็นต้นข้อเท็จจริงอันนี้เห็นได้ชัดมากแต่ไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมต่างๆของร่างกายเกิดมาจากวิญญาณ ตามหลักพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญัติรูปมาตั้งแต่แรกปฏิสนธิคำว่าวิญญาติรูปตามศัพท์แปลว่ารูปคือพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่ยังผู้อื่นให้รู้ความหมายหมายความว่าพฤติกรรมที่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วผู้ที่ศึกษาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่า พฤติกรรมนั้นๆเกิดมาเพื่ออะไรและจากพฤติกรรมที่มีความหมายนี่แหละจึงก่อให้เกิดโครงสร้างหรืออ ว, วัยวะต่างๆถ้าหากวิญญาณไม่มีพฤติกรรมที่มีความหมายจะเกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าดูก่อนอานน์ถ้าวิญญาณจักไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดา นามรูปจะพึงเกิดในท้องมารดาได้หรือและในทางพุทธศาสนาย่อมเถืออีกว่าเมื่อวิญ ญ, ญาณจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพมนุษย์หรือจากสัตว์ก็ตามวิญญาณก็จะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ทันทีซึ่งร่างกายที่เกิดขึ้นใหม่และสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีนี้เรียกว่าโอปปาติกะ ผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงแม้จะยังไม่ตายแต่ก็สามารถที่จะสร้างร่างกายแบบโอปปาติกาขึ้นมาได้ทันทีตามความต้องการแล้วร่างกายที่สร้างขึ้นมานี้ก็จะมีประสิทธิภาพทุกอย่างเหมือนกับร่างกายของโอปปาติการทั่วไปกล่าวคือเป็นร่างกายที่มีชีวิตมีการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้สามารถที่จะรู้เห็นได้ยินได้ฟังมีความนึกคิด เหมือนกับกายเนื้อทุกอย่างสมถภาพในขณะที่อยู่ในกายเนื้อมีอย่างไรในกายทิพย์หรือในกายที่เป็นโอปปาติกานั้นก็มีอย่างเดียวกันแต่กายทิพย์มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกายเนื้อหลายอย่างเช่นเป็นนายรวดเร็วเท่าใจนึกสามารถผ่านกำแพงหรือฝาผนังผ่านไปในภูเขาไปทะลุอีกด้านหนึ่งก็ได้ จะลงไปอยู่ในใต้มหาสมุทรหรือจะไปอยู่ในท้องฟ้าก็สามารถทําได้ตามใจปรารถนาต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดถึงหลักต่างๆดังที่กล่าวมาและเชื่ออย่างสนิทว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทุกประการจึงจะสามารถเข้าใจได้ว่ากฎเกณฑ์ของวัตถุโครงสร้างของวัตถุทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายหรือภายในระบบของสิ่งที่มีชีวิต คือภายในเซลล์ทุกเซลล์นั้นถ้าพิจารณากันให้ซึ้งแล้วก็จะเห็นได้ว่าวัตถุธาตุซึ่งมีการสลายตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของการกินการย่อยและการเผาผลาญนั้นเป็นการสลายตัวที่ขึ้นอยู่กับการควบคุมของวิญญาณที่กำลังทำงานอยู่และการสลายตัวของวัตถุนี้ก็ทำให้เกิดวิญญาณขึ้นมาอีกเพราะความรู้สึกในสิ่งที่มีชีวิตนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับเปลวไฟคือมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอันที่ดับก็เป็นอันดับไปอันที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าวิญญาณที่เกิดอยู่เสมอภายในสมองหรือภายในระบบของสิ่งที่มีชีวิตทุกขณะนั้น<ๆ>ก็ได้มาจากการสลายตัวของวัตถุที่เกิดจากการเผาผลาญ น, นั่นเองกรรมวิธีอันนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็รู้ดีว่าถ้าภายในระบบของเซลล์ไม่มีการกินการย่อยและการเผาผลาญเซลล์นั้นก็ต้องตายความรู้สึกในตัวเซลล์นั้นก็ไม่มีขอให้นึกและพิจารณาให้ละเอียดว่าการเกิดดับของวิญญาณภายในระบบของเซลล์นั้นมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาระบบของเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย มีความเกี่ยวโยงถึงกันและมีศูนย์กลางอยู่ที่สมองเพราะฉะนั้นร่างกายของคนคนหนึ่งจึงเท่ากับจักรวาลใหญ่อันหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยจักรวาลเล็กๆรวมกันขึ้นมาและด้วยเหตุนี้คนที่ศึกษาเรื่องชีวิตของตัวเองอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมดังเช่นพระอริยบุคคลทั้งหลายจึงสามารถเข้าใจถึงเรื่องสากลจักรวาลด้วย ดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าใครจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งโยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเองว่าพระเสกค่ะจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสกค่ะจักรู้ซึ่งโยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก หมายเหตุผู้อ่านพระเสขาแปล ว, ว่าผู้ยังต้องศึกษาหมายถึงพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยังมีกิจต้องทําต้องปฏิบัติตามมาต่อไปเพื่อให้บรรลุนิพพานเป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์ที่เรียกว่าพระอเสขะในที่นี้ความจริงรวมพระอริยะทุกประเภททั้งหมดนะครับเพราะก่อนจะเป็นพระอเสขะได้ก็ต้องเป็นพระเสขะมาก่อน จะเข้าใจแบบครอบคลุมก็คงต้องว่าพระอริยะจะรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้จะรู้ซึ่งยงมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกอันหนึง่งในคำพีก็ยังได้กล่าวไว้อีกว่าผู้ใดที่ต้องการจะรู้แจ้งซึ่งการเกิดของโลกนี้และการดับของโลกนี้ก็ให้ค้นหาคําตอบจากร่างกายอัญญาวานาคืบนี้ การศึกษาพระพุทธศาสนาในขั้นละเอียดนั้นถ้าต้องการจะหาทางอธิบายให้คนในสมัยปัจจุบันเข้าใจได้ง่ายผู้อธิบายจะต้องมีความรู้กว้างจะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆด้วยจึงจะถ่ายทอดความรู้ทางศาสนาซึ่งส่วนมากอยู่ในความหมายที่ลึกซึ้งออกมาเป็นภาษาและสำนวนที่คนสมัยปัจจุบันจะพึงฟังเข้าใจได้ง่ายแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่า การศึกษาในทางโลกแม้จะให้เก่งและเชี่ยวชาญสักเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจที่จะรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องสากลจักรวาลได้ไม่อาจที่จะรู้แจ้งแทงตลอดแม้ในเรื่องโลกของฝ่ายวัตถุได้ถ้าหากผู้นั้นไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณเป็นต้นกำเนิดเป็นที่มาของวัตถุทุกอย่างดังที่ได้อ้างมาแล้วว่า วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงเพราะเหตุที่วิญญาณเป็นรากฐานเป็นที่มาของวัตถุเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษามาอย่างละเอียดในเรื่องของวิญญาณจึงสามารถเข้าใจเรื่องของวัตถุได้และสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ของวัตถุแต่ก็อย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาแต่ในเรื่องของวิญญาณโดยไม่มีความรู้ในทางวัตถุเลยนั้น จะนึกไม่เคยได้ถึงกฎเกณฑ์ของวัตถุจะให้อธิบายเรื่องของวัตถุอย่างละเอียดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์สามารถทำอะไรได้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นั้นย่อมทำไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่านักวิทยาศาสตร์คนแรกที่คิดคน้นวางกฎและประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาโดยไม่มีใครสอนมาก่อน อาศัยความสังเกตกับความคิดของตนก็ทำให้รู้เรื่องราวของวัตถุมากขึ้นโดยลำดับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้รู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้อย่างไรข้อเท็จจริงอันนี้ถ้าหากมีความรู้ในเรื่องวิญญาณจะสามารถอธิบายได้ง่ายมากเพราะจากความรู้ในทางวิญญาณจะทำให้เรารู้ว่ามหาวิทยาลัยที่สามารถจะให้ความรู้ทุกอย่างแก่เรา ได้มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนคนที่สามารถทาใจให้สงบทําใจให้ว่างตัดความอยากและความยึดถือต่างๆได้เมื่อต้องการจะรู้อะไรความรู้ที่ต้องการนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจากภายในทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณของคนเราแต่ละคนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วข้อเท็จจริงก็คือการที่วิญญาณสามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้ แสดงให้เห็นว่าในวิญญาณส่วนลึกได้มีความรอบรู้ในเรื่องของวัตถุเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่รู้จักคิดรู้จักสังเกตและที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นอิสระไม่ติดและไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งใดใดแม้เพียงชั่วขณะเขาก็จะได้ความรู้ที่ต้องการ หลักอันนี้คนที่ได้บรรลุถึงขั้นอภิญญาจะเป็นผู้ที่อธิบายได้ดีที่สุดเพราะตนเองได้มีประสบการณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อันที่จริงการที่นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องของวัตถุจนกระทั่งเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณสมบัติหรือกฎเกณฑ์ของวัตถุนั้นก็คือการศึกษาค้นคว้าให้รู้ถึงเรื่องวิญญาณในวัตถุนั่นเอง โครงสร้างของวัตถุคุณสมบัติของวัตถุหรือกฎเกณฑ์ของวัตถุนั้นก็คือปรากฏการของวิญญาณในวัตถุเช่นเดียวกับโครงสร้างของร่างกายก็คือปรากฏการของวิญญาณในร่างกายหรือการแสดงออกของวิญญาณในด้านวัตถุเช่นคําพูดคนเรามีความคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้น คำพูดก็คือการแสดงออกของวิญญาณในทางวัตถุวัตถุในที่นี้ก็หมายถึงรูปธรรมนะครับคือเสียงที่ออกมานั้นก็ถือเป็นรูปอย่างหนึ่งนักวิทยา ศ, าศาสตร์ที่มีความรอบรู้เรื่องวัตถุอย่างละเอียดและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้มากมายซึ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เช่นเรือบินรถไฟเรือดำน้ำโทรทัศน์วิทยุเรดาร์จรวดอย่างนี้เป็นต้นจงสังเกตว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมาสิ่งที่วิญญาณสร้างขึ้นมานี้เป็นสิ่งมหัศ จ, จรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดถ้าหากวิญญาณไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์ของวัตถุโดยละเอียดและไม่มีสมรรถภาพอยู่ในตัวก็ไม่อาจที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาได้ แต่เรื่องอย่างนี้คนส่วนมากยังไม่ยอมรับทั้งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นานแล้วว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนักวิทยาศาสตร์สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ก็เพราะมีความรอบรู้ในเรื่องวัตถุซึ่งคำว่านักวิทยาศาสตร์ในที่นี้ก็คือวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความรอบรู้ในเรื่องของวัตถุ ถ้าหากเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีเราก็จะเห็นว่าการที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นอะไรได้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้นั้นที่แท้ก็คือความสามารถภายในซึ่งมีอยู่ในวิญญาณค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยการศึกษาและการสังเกตนั่นเองขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่สำเร็จอภิญญา จะสามารถแสดงอภินิหารได้ต่างๆเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์ต่างๆขึ้นมาเช่นนักวิทยสาศาสตร์สามารถสร้างวิทยุโทรทัศน์จรวดขึ้นมาได้ผู้ที่สําเร็จอภิญญาก็สามารถที่จะมีหูทิพตตาทิพตไปไหนมาไหนได้ด้วยกายทิพตซึ่งมีความเร็วเท่ากับใจนึกนักวิทยสาศาสตร์สามารถสร้างเครื่องบินเรือดำน้ำํา คนที่สำเร็จทางอภินยาก็สามารถที่จะไปมาในอากาศหรือลงไปอยู่ใต้น้ำก็ได้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสมองอิเล็กทรอนิกคนที่สำเร็จอภินยาก็สามารถที่จะรู้อะไรในอดีตในอนาคตหรือต้องการจะรู้อะไรก็ได้ซึ่งความรู้ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ต้องการและจะรู้อะไรได้สารพัดโดยไม่ต้องใช้ความคิดเลย ยอย่างที่เปรียบเทียบมาให้ดูนี้จะเข้าใจได้ไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจในทฤษฎีที่ว่าความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้นี้ก็คือความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาจากความรู้ดั้งเดิมซึ่งโดยธรรมดาก็ได้มีอยู่แล้วในส่วนลึกแห่งวิญญาณของคนเราทุกคนเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ทาได้คนที่สาเร็จอภิญญา ก็สามารถที่จะทำได้โดยอาศัยอำนาจจิตหรืออะไรที่นักอภิญญาทำได้นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมจะทำได้เพราะฉะนั้นในเมื่อทางพระพุทธศาสนาได้เคยกล่าวมานานแล้วว่าคนที่สำเร็จอภิญญาสามารถไปสำรวจในจักรวาลอื่นได้ก็ยอมหมายความว่าสักวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมจะไปสารวจจักรวาลอื่นได้เป็นผลสาเร็จ ด้วยยานอาวกาศอย่างแน่นอนขอให้สังเกตว่าถ้าเราพยายามศึกษาเรื่องของชีวิตให้มีความรู้อย่างละเอียดจนกระทั่งในที่สุดรู้แจ้งว่าในสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างมีวิญญาณแล้วรู้แจ้งว่าสิ่งต่างๆที่วิญญาณสร้างขึ้นมาในระบบของชีวิตนั้นมีอะไรบ้างและมีกรรมวิธีแห่งการสร้างอย่างไร ซึ่งในเมื่อเรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆในชีวิตทุกประเภทนับตั้งแต่พืชชั้นต่ำสัตว์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงมนุษย์ในที่สุดเราก็จะได้แนวความคิดออกมาว่าอะไรที่วิญญาณสร้างขึ้นมาได้สิ่งสิ่งนั้นสักวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถจะสร้างขึ้นมาได้และอีกแนวหนึ่งถ้าหากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอภิญญา ในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งรู้แจ้งว่าเรื่องอภิญญาต่างๆตามที่ในคำภีพระพุทธศาสนาได้อ้างไว้นั้นเป็นความจริงทุกอย่างเราก็จะได้แนวความคิดออกมาว่าสิ่งใดที่นักอภิญญาทำได้สิ่งนั้นสักวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ซึ่งจะมีสมรรถภาพคล้ายคลึงกับคนที่ได้อภิญญาทาได้แต่อย่างไรก็ดี อย่าลืมว่าการศึกษาถึงเรื่องชีวิตก็ดีการศึกษาถึงเรื่องสากลจักรวาลก็ดีโดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือโดยอาศัยวิธีทางวัตถุคือใช้ประสาทสัมผัสและใช้เครื่องมือช่วยประสาทสัมผัสนั้นแม้จะทำให้เรามีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและเรื่องสากลจักรวาลมากสักเพียงไรก็ตามก็ยังถือได้ว่าเป็นการศึกษาทางอ้อม และถึงแม้จะเก่งสักเพียงไรก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงความจริงทุกแง่ทุกมุมไม่อาจที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของชีวิตและในเรื่องของสากลจักรวาลเพราะระสาและสมองของคนเราอยู่ในขอบเขตจำกัดแต่ตรงกันข้ามถ้าหากการศึกษานั้นได้อาศัยวิธีทางวัตถุด้วยและพร้อมกันนั้นได้อาศัยการฝึกสมาธิ จนกระทั่งสามารถเข้าฌานได้และพ้นจากความจํากัดของประสาทสัมผัสได้สําหรับคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอย่างดีและได้ฌานขั้นสูงด้วยนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะสามารถอธิบายและสร้างทฤษฎีขึ้นมาได้เองจากภายในใจของตัวโดวยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือภายนอกแต่แล้วก็สามารถ ที่จะนำมาทดสอบหรือพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆได้และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้กล่าวกันว่าสำหรับคนที่มีความรู้ในเรื่องวัตถุอย่างดีและเข้าชา้นขั้นสูงได้ด้วยนั้นสมมุติว่าเป็นหมอก็สามารถจะถามต้นไม้หรือแร่ธาตุต่างๆเพื่อให้มันบอกว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติที่จะนำไปใช้ในการรักษาโรคอะไรได้บ้าง หรือถ้าหากเป็นนักเคมีหรือนักฟิสิกส์ก็สามารถที่จะถามเอาความรู้จากวัตถุทุกทุกอย่างที่พบเห็นเสมือนหนึ่งวัตถุนั้นๆั้นเป็นนักวิทยาศาสต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวบอกให้หมายเหตุผู้อ่านคำว่าถามในที่นี้ไม่ใช่การพูดถามแบบคนถามกันนะครับแต่เมื่อมีอภิญญาหรือได้สมาธิขั้นสูงแล้วนั้นจะสามารถรู้และสัมผัส โครงสร้างและคุณสมบัติในเชิงลึกของวัตถุต่างๆได้ละเอียดเรารู้แจ้งไปถึงระดับวิญญาณที่เป็นพลังงานแฝงที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆความคาดคะเนหรือสมมติฐานในลักษณะเช่นนี้น้อยคนมากที่จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนที่สามารถเข้าสมาธิไปจนกระทั่งพ้นความจำกัดของประสาสัมผัสได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถคิดอะไรได้ดีกว่าหรืออะไรได้มากกว่าคนที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญจากการเรียนมาเท่าเทกันอย่างชนิดที่ไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้เลยหมายความว่าสมมุติว่าในกอกับในขอมีความรู้จากการเรียนโดยอาศัยประสาทสัมผัสมีความเชี่ยวชาญมาเท่าเทกันแต่ในกอ น, นั้นมีความรู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสอย่างเดียว เข้าสมาธิขั้นสูงไม่ได้ส่วนในขอมีความรู้เท่ากับในกอทุกอย่างแต่สามารถเข้าสมาธิขั้นสูงได้ในกรณีอย่างนี้แน่นอนในขอจะต้องมีความสามารถรู้อะไรได้ต่างๆเหนือในกอมากมายโดยไม่ต้องอาศัยตำราโดยไม่ต้องมีใครบอกแต่คิดขึ้นได้เองเป็นความรู้ที่มาจากภายใน ในขอจะมีความสามารถในลักษณะเช่นนี้เหนือในกออย่างชนิดที่ไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้เลยทั้งนี้ก็เพราะในขอสามารถเอาความรู้จากภายในออกมาใช้ได้อย่าลืมว่าวิญญาณของคนเรานั้นถ้าเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกผลจะอิทธิพลของประสาทสัมผัสไปได้แล้วจะมีความสามารถมีความรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง โดยไม่ต้องใช้ความคิดเพียงแต่ใช้ความตั้งใจเท่านั้นกล่าวคือเมื่อต้องการจะรู้อะไรคำตอบก็จะออกมาจากภายในทันทีข้าพเจ้าขอสรุปอีกครั้งหนึ่งความรู้ทุกอย่างที่เราได้มาด้วยการเรียนจากโรงเรียนจากตำราจากครูอาจารย์จากการสังเกตด้วยตัวเองและจากการฝึกผลต่างๆ ความรู้ทุกอย่างที่ได้มานี้โดยเนื้อแท้แล้วก็คือความรู้ที่พัฒนามาจากความรู้ภายในไม่มีอะไรที่ภายในวิญญาณส่วนลึกจะไม่รู้แต่ความรู้ทุกอย่างจากภายในนั้นจะพัฒนาออกมาได้ต้องอาศัยการศึกษาและการอบรมดังที่เราทำกันอยู่เหมือนกับต้นไม้ไม่ได้เจริญเติบโตมาจากดินฟ้าอากาศมันเจริญเติบโตมาจากรากฐานภายใน เพราะต้นไม้จะเกิดมาเป็นต้นอะไรสำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันดินฟ้าอากาศเป็นเพียงส่วนประกอบซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ที่จะช่วยให้มันเกิดแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงพูดได้อีกนัยยะหนึ่งว่าทุกคนได้มีความเป็นสัพพันยูอยู่ในวิญญาณแล้วด้วยกันทุกคนการศึกษาเป็นเพียงการเพาะเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่เกิดแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาเท่านั้น และขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ทำได้คนที่สาเร็จอภิญญาเราได้สมาธิขั้นสูงซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งตัดความสัมพันธ์จากโลกภายนอกได้และพ้นจากอิทธิพลของประสาทสัมผัสและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถทำใจให้ว่างได้ด้วยการมองเห็นปรากฏการทุกอย่างเป็นมายาดยการมองเห็นความไม่มีตัวตน ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเราก็มองเห็นชัดว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีความว่างเปล่าเป็นอารมณ์อยู่กับความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นและไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆจิตใจเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ คนที่สามารถทำใจได้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมีความรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างตามความตั้งใจคือต้องการจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยการดูการฟังไม่ต้องอาศัยความนึกคิดเพียงแต่อาศัยความตั้งใจเท่านั้นแต่ทั้งหมดนี้ก็อย่าลืมว่าคนที่มีบารมีมาน้อย มีการศึกษามาน้อยความรู้ที่จะเป็นสื่อสำหรับการถ่ายทอดความรู้จากภายในออกมามีไม่พอก็ไม่อาจที่จะตอบคำถามได้ทุกอย่างหรือรู้อะไรได้ทุกอย่างเพราะมันเหมือนกับเมล็ดพืชต่างๆซึ่งทุกเมล็ดก็พร้อมที่จะงอกขึ้นมาได้เด่ดถ้าเมล็ดพืชอันไหนไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะมันก็งอกขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่า บุคคลที่เป็นพระอาหารหันต์แม้จะได้อภิญญาทั้งหกก็อย่าไป น, นึกว่าจะสามารถรอบรู้ทุกอย่างตอบปัญหาได้ทุกอย่างเพราะความจริงมีอยู่ว่าพระอาหารหันต์มีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันทุกองค์พระสาวรีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนนท์แม้จะเป็นพระอาหารหันต์ที่มีความรอบรู้มากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ทุกอย่างเหมือนกับพระพุทธเจ้า แต่ทิงอย่างไรก็ดีก็อย่าลืมว่าคนที่มัวเรียนแต่หนังสือแสวงหาความรู้ความชํานาญโดยอาศัยประสาทสัมผัสอย่างเดียวหรือแม้จะอาศัยเครื่องมืออย่างดีช่วยประสาทสัมผัสเช่นใช้กล้องจุลทรรศน์และโทรทรรศน์ช่วยประสาททางตาเป็นต้นนั้นก็ขอให้จําไว้ว่าเขาจะไม่มีทางรู้อะไรถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นการศึกษาที่เดินทางอ้อมเหน็บเหนื่อยมากลงทุนมาก แต่แล้วก็ไม่อาจาที่จะบรรลุถึงผลที่ต้องการได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆตรงกันข้ามผู้ที่ศึกษาโดยอาศัยประสาสัมผัสแม้การศึกษาของเขาจะไม่กว้างขวางแต่ถ้าสามารถเข้าสมาธิได้ทำใจให้ว่างได้จะมีความรู้เหนือกว่ารู้อะไรได้เร็วกว่าทำอะไรได้ดีกว่ามากมายหลายเท่าการศึกษาโดวยวิธีนี้ คือโดยอาศัยสมาธิประกอบด้วยนี้เป็นการศึกษาที่ตรงกว่าลงทุนน้อยกว่าเสียเวลาน้อยกว่าแต่ได้ผลมากกว่าหลายเท่าและก็อย่าลืมว่าคนที่มุ่งแต่ในทางสมาธิอย่างเดียวโดยไม่สนใจต่อการศึกษาเลยนั้นก็อย่าไปหวังเลยว่าตนเองจะมีความรู้ความสามารถเกิดขึ้นมาได้จริงๆอย่าเพ้อฝันเป็นอันขาดว่า ถ้ามีสมาธิดีแล้วก็จะสามารถรู้อะไรขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนมเมล็ดผลไม้ที่สมบูรณ์ดีพร้อมที่จะงอกขึ้นมาได้ก็อย่าลืมว่าถ้าไม่ได้ดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมแก่มันมันก็ไม่อาจที่จะงอกขึ้นมาได้ความรู้ภายในที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เองนั้นจะต้องอาศัยสื่อในการแปล จึงจะเกิดขึ้นมาได้สื่อในการแปลก็คือความรู้ที่เกิดจากการเรียนโดยอาศัยประสาทสัมผัสด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางหลักไว้ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเป็นไปตามลำดับดังนี้คือหนึ่งอาศัยการเรียนเรียกว่าสุตตมยปัญญา 2. อ, อาศัยการพิจารณาเรียกว่าจินตามายะปัญญา 3. ในขั้นสุดท้ายจะต้องอาศัยสมาธิและวิปัสสนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาการทำใจให้เป็นอิสระการทำใจให้ว่างจากอารมณ์และจากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่าง ในใจมีแต่ความว่างเปล่าไม่ติดและไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งใดๆภาวะอย่างนี้เป็นภาวะที่สูงสุดสำหรับชีวิตของคนเราภาวะอย่างนี้เรียกว่านิพพานดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านิพานังปรมังวันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะสูงสุด การเข้าถึงนิพพานไม่มีทางลัดกล่าวคือถ้าหากคนไหนพื้นฐานในด้านคุณธรรมมีไม่พอก็ไม่อาจจะบรรลุมรรคผลบรรลุถึงนิพพานได้ไม่ว่าจะพยายามโดยวิธีใดๆก็ตามเพราะมันเหมือนกับต้นไม้เช่นสมมุติว่าโดยธรรมดาต้นไม้ชนิดนี้จะต้องอาศัยเวลาห้าปีจึงจะมีลูกนั่นก็หมายความว่าโดยธรรมดาต้นไม้ชนิดนี้ จะต้องใช้เวลาห้าปีรากฐานในการมีลูกของมันจึงจะสมบูรณ์ในกรณีอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเราไม่อาจจะปลูกต้นไม้ประเภทเดียวกันให้มีลูกเร็วกว่ากำหนดที่มันควรจะเป็นซึ่งถ้าหากจะทำได้ก็เพียงแต่เร่งให้มีผลเร็วขึ้นมาได้บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าหากต่อไป นักวิทยาศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของพืชเป็นอย่างดีแล้วรู้จักวิธีที่จะเอาพลังงานประมานูมาเร่งการพัฒนาเพื่อให้มีรากฐานสมบูรณ์เร็วขึ้นก็จะทำให้ต้นไม้มีผลเร็วขึ้นกว่าเดิมได้มากเรื่องในทำนองนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็มีกล่าวถึงเช่นพระพุทธเจ้าสามารถปลูกต้นมะม่วงจากเมล็ดให้เจริญเติบโตขึ้นมาทันทีทันใด และข้าพเจ้าเคยเห็นด้วยตาของข้าพเจ้าเองซึ่งจะเป็นการเล่นกลหรือใช้อำนาจจิตข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่แต่สิ่งที่แน่ตามสายตาของคนทุกคนที่เห็นอยู่ณที่นั้นก็คือมีแขกคนหนึ่งเอ า, มาเมล็ดมะม่วงเพาะลงในกระถางซึ่งมีดินและทำพิธีปลุกเสกในชั่วระยะไม่เกินสิบนาทีก็มีต้นมะม่วงเกิดมาจากกระถางใบนั้น สูงประมาณสักสามศอกมีใบมีลูกเป็นมะม่วงทุกอย่างและลูกมะม่วงต้นนี้ข้าพเจ้ายังขอเอามาหนึ่งลูกเอามาแบ่งกันลองรับประทานทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นเนื้อมะม่วงจริงๆทั้งใบแล ะ, มะเมล็ดข้าพเจ้าได้เก็บเอาไว้นานหลายวันก็ปรากฏว่ายังคงเป็นใบมะม่วงส่วนมเมล็ดนั้นได้เอาไปเพาะโดวยวิธีธรรมดาแต่ไม่งอก แขกผู้นี้มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยได้เชิญมาแสดงให้ดูในวัดมหาธาตุตอนหน้าคนดูมากมายไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะจับเท็จเขาได้ว่าเป็นการเล่นกลการบรรลุถึงนิพพานจะต้องอาศัยรากฐานในด้านคุณธรรมอย่างเพียงพอกล่าวคือ จะต้องสร้างบารมีทั้งสิบคือทานศีลเนคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาถ้าหากคนไหนมีบารมีเหล่านี้ยังไม่เพียงพอเขาก็ไม่อาจที่จะทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นอิสระเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วได้ตัวอย่างเช่นคนไหนนิสัยในด้านการเสียสละมีไม่พอ ยังติดอยู่ในวัตถุยังเป็นห่วงตัวเองมากยังไม่เคยเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นยังมีนิสัยเอาเปรียบผู้อื่นมีความยุติธรรมไม่พอเรื่องทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าทานบารมีศีลบารมีมีน้อยบุคคลประเภทนี้แม้จะมีความรู้ ธ, ธรรมะมากสักเพียงไรซึ่งเป็นความรู้จากตำรา และแม้จะมีความสะดวกและมีเวลาฝึกสมาธิมากสักเพียงไรถ้าหากยังมีนิสัยเห็นแกนตัวยังเป็นห่วงตัวเองดังที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่มีทางเลยที่จะบรรลุ ถ, ถึงความว่างความเป็นอิสระซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าการบรรลุ ถ, ถึงนิพพานไม่มีทางลัด ทุกคนจะต้องพยายามสร้างบา ร, รมีให้เพียงพอเสียก่อนแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตดีนั้นเขาก็ยอมจะพบทางที่จะสร้างบา ร, รมีให้สมบูรณ์เร็วขึ้นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักวิธีเร่งพัฒนาสิ่งที่มีชีวิตให้มีผลเร็วกว่าตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนจะมีทางลัด ก็หมายความว่าคนนั้นรู้จักวิธีหรือมีโอกาสดีในการสร้างบา ร, รมีของตนให้สมบูรณ์เร็วขึ้นเช่นมีโอกาสอยู่ใกล้บัณฑิตเสมอได้ครูอาจารย์ที่ดีอย่างนี้เป็นตน้นเขาก็ย่อมจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีโอกาสเช่นนั้น อหนึ่งจากข้อความในหนังสือเรื่องความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี้เราจะพบข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์เมื่อก้าวหน้าออกไปมากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็มาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกระทั่งบางอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือทั้งนี้ก็เพราะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือพูดกันอีกในาย่าหนึ่งคือกฎเกณฑ์ทางวัตถุนั้น แม้จะเป็นหลักความจริงที่พิสูจน์หรือทดสอบได้ลงตัวก็จริงแต่ก็เป็นหลักความจริงที่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะตัวอย่างง่ายๆเช่นโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปของที่ตกจากที่สูงย่อมจะหล่นลงสู่พื้นดินเสมอเพราะโลกมีความดึงดูดหลักอันนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นได้ชัดว่ามีขอบเขตจํากัดเพราะนีนเมื่อเราไปให้พ้นจากรัศมีการดึงดูดของโลกแล้วกฎที่ว่านั้นก็ใช้ไม่ได้ การเดินของแสงก็เช่นเดียวกันเราอาจจะพูดได้ว่าแสงเดินเป็นเส้นตรงก็ได้แต่ภายในขอบเขตอันหนึ่งคือภายในระยะสั้นๆที่ไม่มีมวลขนาดใหญ่มาขวางแสงเดินเป็นเส้นโค้งก็ได้ในเมื่อแสงนั้นเดินผ่านไปในห้วงอวกาศระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลหรือถ้าจะพูดกันอย่างลึกซึ้งกฎเกณฑ์ของวัตถุหรือคุณสมบัติของวัตถุ ยอมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของมันถ้าโครงสร้างของมันเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ก็เปลี่ยนแปลงถ้าโครงสร้างสลายตัวกฎเกณฑ์ของสิ่งนั้นก็สูญหายคนที่เข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้ดียอมจะพูดได้ว่ากฎเกณฑ์ของวัตถุก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหลักอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ในเรื่องตรลักกล่าวคือสิ่งใดถ้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดยอมไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงได้เกิดแล้วดับได้และยอมเป็นทุกข์ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีสิ่งตรงกันข้ามที่สามารถทำลายสิ่งเหล่านั้นได้ ในธรนองเดียวกับทิศทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อมีแม่เจอก็ต้องมีอัน i ี่แม่เจอคำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมีทุกขเวทนาหรือมีความเจ็บป่วยและในที่สุดพระองค์ได้สรุปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำว่าสิ่งทั้งหลายในที่นี้หมายถึงกฎเกณฑ์ของวัตถุต่างๆด้วย หมายเหตุผู้อันลักษณะที่จัดว่าเป็นทุกข์คือหนึ่งถูกการเกิดขึ้นและการดับสลายบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา 2. ทนได้ยากหรือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 3. เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สแย้งต่อสุขหรือสภาวะที่ปฏิเสธความสุข ซึ่งทุกนั้นหากอยู่ในหมวดธรรมต่างๆก็จะมีความหมายต่างกันไปทุกในตรลักษณ์ก็คือสภาพที่ทนอยู่ได้ยากสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความดับสลายเนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเองทุกในอริยสัจคืออาการแห่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน ทุกในเวทนาห้าคือสภาพที่ทนได้ยากความรู้สึกไม่สบายได้แก่ทุกเขเวทนาดังนั้นเมื่อพูดถึงทุกขในแต่ละครั้งนั้นจะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าทุกในไตรลักษณ์นั้นคือสภาพที่ทนอยู่ได้ยากหรือสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเองคนที่จะเป็นนักคิดชนิดที่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั้นจะต้องไม่ติดอยู่ในทฤษฎีหรือยึดมั่นอยู่แต่ในทฤษฎีที่เคยเรียนรู้มาในทางพระพุทธศาสนาได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีมากเรื่องอภิญญาต่างๆล้วนแต่เป็นเรื่องที่อยู่เหนือกฎธรรมดาหรือกฎเกณฑ์โดยทั่วไป เช่นโดยธรรมดาคนเราจะเห็นอะไรได้จะได้ยินอะไรได้ก็จะต้องอาศัยประสาททางตาและทางหูและประสาทที่ว่านี้มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีใครบอกว่าคนเราสามารถที่จะเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้โดยไม่ต้องใช้ตาและหูอันนี้และสามารถที่จะเห็นได้ไกลได้ยินสิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าประสาทของคนทั่วไป ก็ยอมจะไม่มีใครเชื่อแต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่กาลังก้าวหน้าขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนั้นจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีถึงหลักอภิญยาในพระพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากทางพระพุทธศาสนาเด้รู้ถึงที่มาหรือต้นกำเนิดของวัตถุต้นกำเนิดของกฎเกณฑ์ในทางวัตถุเพราะฉะนั้น จึงสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในทางทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ในด้านวัตถุได้ง่ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็ตามเพราะตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนามีให้เห็นบ่อยๆเช่นจิตของคนที่อยู่ในภูมิโลกียะย่อมมีกฎเกณฑ์ไปอย่างหนึ่งเช่นมันยังหลงผิดอยู่ในเรื่องตัวตนก็จะต้องมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์อันเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจทุกครั้ง แต่สำหรับผู้ที่ละความยึดถือในเรื่องตัวตนได้แล้วจิตก้าวขึ้นสู่ขั้นโล ก, กุตระได้แล้วซึ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับในทางวัตถุก็คล้ายกับว่าออกไปพ้นจากโลกแล้วกฎเกณฑ์อย่างที่เคยมีอยู่ก็ใช้ไม่ได้เช่นพระอริยบุคคลทุกองค์จะไม่มีปฏิกิริยาต่อเครื่องเราหรือต่ออารมณ์เหมือนเมื่อก่อนทั้งๆ้งที่สภาพของร่างกายก็เหมือนกับคนทั่วไป และอารมณ์ที่มากระทบก็เป็นอย่างเดียวกับที่เคยเกิดแก่ผู้อื่นหรือเคยเกิดแก่ตนเองเมื่อสมัยก่อนซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีแต่มาบาัดนี้หลังจากที่จิตได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตระธรรมแล้วปฏิกิริยาอย่างที่เคยมีจะไม่เกิดเลยไม่ว่าจะถูกเราอย่างใดๆก็ตามซึ่งนับว่าเป็นการผิดธรรมดาเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าหลักธรรมในขั้นโลกุตระหรือเรื่องอภิญญาขั้นโลกิยะซึ่งเป็นเรื่องผิดธรรมดาผิดจากความเข้าใจของคนทั่วไปจึงเป็นสิ่งที่มีได้แล้วเรื่องนี้เราจะเข้าใจไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจทฤษฎีขั้นหมูลฐานซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ทั่วสากลจักรวาลกล่าวคือหลักที่อ้างมาแล้วว่ามโนโคือบิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณหา ม, มายเหตุผู้อา่านอย่าลืมนะครับว่ามโนแปลได้หลายอย่างซึ่งส่วนมากมักแปลว่าใจหรือจิตและคำว่าจิตกับวิญญาณ น, นั้นเป็นไวยพ์ซึ่งกันใช้แทนกันได้ดังนั้น คำว่าโมโนจิตใจวิญญาณก็หมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกันนะครับเช่นคำว่าวิถีจิตก็คือวิถีวิญญาณผวังขจิตก็คือผวังขวิญญาณซึ่งตามความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นคำว่าวิญญาณมีความหมายเป็นตัวเป็นตนจึงอาจทำให้ขัดแย้งกับความรู้สึกภายในของหลายคนในที่นี้ขอให้มองคาว่าวิญญาณ เรียบคลายกับพลังงานอย่างหนึ่งแต่เป็นพลังงานในแง่ของนามธรรมถ้ามองแบบนี้ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากและมองเห็นในแงม่มุมตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นวิญญาณเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้วิวัฒนาการได้และการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณ น, นั้น ยอมจะเปลี่ยนไปได้จนกระทั่งกลับหน้ามือเป็นหลังมือและกฎเกณฑ์ของวัตถุก็ดีของสิ่งมีชีวิตก็ดีก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้โดยไม่ยากและสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็คือสามารถที่จะคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอ ถ้าหากคนนั้นมีสื่อในการแปลเอาความสามารถจากภายในออกมาใช้ได้และเป็นคนที่สามารถเข้าสมาธิได้แต่จะได้แค่ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสื่อในการแปลกับกำลังของสมาธิกล่าวคือถ้าหากมีสื่อในการแปลมากเพียงไรเข้าสมาธิได้สูงเพียงไรก็สามารถที่จะคิดอะไรออกมาได้มากประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆออกมาได้มากเพียงนั้น โลกควรจะตื่นกันเสียทีถึงระบบการศึกษาที่ถูกต้องอย่างงวงมงายอยู่กับวิธีการศึกษาที่มุ่งแต่จะใช้ประสาทสัมผัสมุ่งแต่จะให้เกิดความํำนานโดยอาศัยประสาทสัมผัสหลักการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีเพียงสามอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าดังนี้ 1ศีแลแศิกขาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศีลสองสมาธิศิกขาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ3ปัญญาศิกขาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญญาระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาทั้งสามอย่างนี้าเราศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถเอาไปประยุกต์เข้ากับการศึกษาได้ทุกขแขนงซึ่งจะมีผลทำให้การศึกษาแต่ละขแขนงที่มีระบบการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานอยู่นั้นจเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องผลที่โลกจะพึงได้รับก็คือสันติสุขทั่วโลกความมุ่งหมายอันนี้จะไม่ทำให้โลกผิดหวังเลยถ้าหากว่าวงการศึกษาทั่วโลกจะเอาระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาไปใช้ รพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนาเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงสว่างในสิ่งทั้งปวงความรอบรู้ของพระองค์ที่มีอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นความตรัสรู้กล่าวคือเป็นความรู้ที่แจ่มแจ้งเป็นความรู้ที่พระองค์รู้ได้ด้วยตนเองทั้งสิน้นการศึกษาพระพุท ธ, ธศาสนาในขั้นสูงคือในขั้นที่จะทาให้เข้าใจถึงเรื่องอภิญญาต่าง ตามที่กล่าวไว้ในคำภีพระไตรปิฎกนั้นหลักสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุถึงจุดหมายนี้ก็คือจะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาจนกระทั่งสามารถที่จะยังรู้หรือมองเห็นด้วยญาณที่มาจากภายในซึ่งเป็นญาณที่นอกเหนือระสาสัมผัสว่าในสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างมีวิญญาณและในวัตถุทุกอย่างก็มีวิญญาณ กฎเกณฑ์ของวัตถุและโครงสร้างของวัตถุทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณที่มีอยู่ในวัตถุกฎเกณฑ์ของชีวิตและโครงสร้างของชีวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณที่มีอยู่ในชีวิตนั้นๆการศึกษาที่ก้าวหน้ามาจนกระทั่งรู้แจ้งเช่นนี้ก็คือความเข้าใจอย่างชัดเจนในพุทธพจน์ที่ว่ามโนโคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณโลกย่อมหมุนไปตามจิตวิวัฒนาการไปตามจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตเมื่อจิตเกิดโลกก็เกิดเมื่อจิตดับโลกก็ดับการเข้าใจพระพุทธศาสนาในระดับนี้เป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นสาหรับคนทั่วไป และโดยธรรมดาก็เกินระดับสติปัญญาของคนทั่วไปแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาพระพุทธศาสนาในวงกว้างจำเป็นสำหรับผู้นำในทางศาสนาและจำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพราะความเข้าใจในระดับนี้จะทำให้เกิดเอกภาพในวงการศาสนาทุกศาสนาและจะสามารถเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ กับทางพระพุทธศาสนาได้ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนามีบทบาทอยู่ในการศึกษาทุกขแขนงและทำให้พุทธศาสนาเป็นรากฐานของการศึกษาทุกขแขนงข้อนี้หละที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีชีวิตอยู่ตลอดกาลเพราะว่าผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาในระดับนี้ยอมจะเข้าใจถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาคริสต์และในศาสนา อ, นอื่นๆ ที่นับถือว่าโลกนี้มีผู้สร้างและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้าและจะทำให้เข้าใจถึงเรื่องปรมาตมันในศาสนาพราหมณ์หมายเหตุผู้อ่านในที่นี้คือเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ได้เข้าใจตามหลักศาสนาเหล่านั้นนะครับคือเมื่อเห็นชัดว่า วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงอย่างไรก็จะเข้าใจในแง่มุมที่ว่าการเชื่อว่ามีผู้สร้างโลกนั้นเป็นการสอนในขั้นเปรียบเทียบหรือที่เรียกว่าบุคลาธิฏฐานคือสมมุติตัวตนขึ้นมาเป็นบุคคลเพื่อให้เข้าใจง่ายเพื่อที่จะอธิบายนมามธรรมที่เข้าใจยากและจับต้องไม่ได้กับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นความเข้าใจผิดแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานที่มีความจริงส่วนหนึ่ง คือมีสิ่งที่สร้างทุกสาสิ่งขึ้นมาจริงนั่นคือพลังแห่งวิญญาณถ้าเข้าใจกันในแง่นี้จริงแล้วย้อนไปอ่านคำสอนในศาสนาต่างๆนั้นก็จะตีความคำสอนนั้นในแง่ที่เป็นเหตุเป็นผลและเกิดประโยชน์กว่ามากเพราะจะทำให้ละอัตตาตัวตนละอุปาทานในกายใจนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคำสอนในศาสนาต่างๆนั้นแม้จะเป็นปุคลาธิฐาน หรือยังไม่ใช่ความจริงจนถึงที่สุดแต่ก็เป็นประโยชน์กับคนจํานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องนมามธรรมได้ดังนั้นก็จําเป็นต้องมีบันไดที่เหมาะสมกับระดับจิตระดับปัญญาของเขาไปก่อนเมื่อจิตก้าวขึ้นมาสู่ทางความดีแล้ววันหนึ่งก็จะพัฒนาขึ้นไปสู่ความจริงอันสูงสุดได้ในที่สุดให้ดูตัวอย่างนะครับว่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงเป็นศาสนาอื่นมาก่อน พระอรหันตสาวกทั้งหมดนั้นก็เป็นศาสนาอื่นมาก่อนเคยยึดถือความเชื่อแบบอื่นมาก่อนเปรียบคล้ายกับการเรียนที่ในชั้นอนุบาลก็ต้องเรียนคุณธรรมด้วยการเปรียบเทียบแบบนิทานอีศบแม้จะสมมติตัวตนสัตว์ขึ้นมาพูดกันก็ประสบความสําเร็จในการสอนเช่นเดียวกันคือสอนให้เด็กเล็กนั้นสามารถเข้าใจเรื่องคุณธรรมได้ซึ่งการสอนแบบเด็กเล็กนั้นในที่สุดก็พัฒนามาสู่การสอนแบบเด็กโต ก็ค่อยมาเรียนหลักการที่เป็นหลักธรรมล้วนๆเป็นความรู้ที่พัฒนาต่อยอดถึงกันได้ซึ่งถ้าใครได้ศึกษาเรื่องวิญญาณและเข้าใจได้ตรงตามที่อาจารย์พรอธิบายไว้นั้นรับรองเลยนะครับว่าจะมองคําสอนของศาสนาอื่นได้แตกต่างและเข้าใจจุดประสงค์ในการสอนนั้นต่างไปจากเดิมอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งตรงกับที่อาจารย์พรทั้งกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าการเข้าใจเรื่องวิญญาณในทางพุทธนั้นจะทําให้เข้าใจคําสอนศาสนาอื่น และเห็นประโยชน์ของการสอนในลักษณะ น, นั้นที่ยังจำเป็นต่อคนจำนวนมากอีกเช่นกันเอาง่ายๆนะครับว่าการอธิบายเรื่องสภาวะของนิพพานนั้นจะมีสักกี่คนที่เข้าใจได้จริงซึ่งคนจะเข้าใจได้จริงนั้นต้องเป็นคนที่มีปัญญาบา ร, รมีพร้อมแล้วเท่านั้นที่ท่านบอกว่าศาสนาอื่นยังมีประโยชน์อยู่นั้นก็เพราะคนกลุ่มนั้นไม่สามารถเข้าใจสภาวะนมามธรรม หรือสภาวะนิพพานอันเป็นสุญตตาได้จริงซึ่งการเข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนั้นหรือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปการเข้าใจแบบนี้เท่านั้นจะทำให้รักษาศาสนาไว้ได้จริงโดยไม่ขัดแย้งกับศาสนาอื่นและอยู่ร่วมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันได้เหมือนโรงเรียนเดียวกันที่มีทั้งชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมจนถึงป ร, ริญญาเด็กอนุบาลกับเด็กมัธยมนั้น การเรียนการศึกษามีระบบที่ต่างกันถ้ามองเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนในแต่และระดับชั้นสังคมของผู้ศึกษาศาสนานั้นก็จะไม่มีการขัดแย้งกันกลับข้อสูญเนื้อหาหลักนะครับและถ้าหากคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในด้านวัตถุเข้าใจวิญญาณในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ก็จะทำให้ความสังเกตในทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอีกมากมายกล่าวคือจะทำให้มองเห็นหลักเกณฑ์ของปรากฏการณ์ต่างๆได้ละเอียดถี่ถ้วนและกว้างขวางยิ่งขึ้นและจะสามารถนำเอาความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางสันติแก่มนุษยชาติได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการเข้าใจเรื่องวิญญาณในวัตถุในพืชและในสัตว์ทุกชนิดเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่ก็ได้กล่าวมาแล้วว่าความเข้าใจอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วอยู่เหนือระดับสติปัญญาของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนส่วนมากจึงไม่เห็นด้วยแต่การที่เขาไม่เห็นด้วยนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าตำหนิเพราะมันเป็นของธรรมดาที่คนเราย่อมไม่อาจที่จะมองเห็นอะไรที่สูงกว่าระดับสายตาของตนแต่มันก็เป็นของจาเป็น ที่จะต้องมีคนที่ยืนอยู่ในที่สูงคอยบอกสิ่งต่างๆให้กับคนที่ไม่อาจจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ต่ำซึ่งถึงแม้บอกไปแล้วเขาจะยังมองไม่เห็นเพราะยังไม่ได้ขึ้นมาในที่สูงเหมือนกับคนที่บอกก็ตามก็เป็นการดีที่คนเหล่านั้นควรจะรู้เอาไว้บ้างเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนเหล่านั้นจะต้องหลงผิดในบางสิ่งบางอย่างกันไปอีกนานมาก เหมือนกับคนในสมัยปัจจุบันนี้ทั่วโลกตกเป็นทาสของคำว่าธรรมชาติเราก็ใจว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสุดแล้วแต่ธรรมชาติสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมชาติคนเราจะเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ซึ่งธรรมชาติที่ว่านี้คนเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและมาคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ยอมแพ้ไม่พยายามที่จะคิดต่อหรือคิดเอาชนะธรรมชาติ ท่านทั้งหลายที่เป็นนักคิดลองพิจารณาดูพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ซึ่งหลักอันนี้ย่อมหมายถึงว่าทุกอย่างสามารถเอาชนะได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะคาว่าเป็นทุกข์ในที่นี้หมายความว่าสิ่งใดถ้าเป็นสังขารแล้วจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามที่สามารถจะทาลายสิ่งสิ่งนั้นได้ และด้วยเหตุนี้ในเมื่อมีความตายก็จะต้องมีความไม่ตายเมื่อมีความแก่ความเจ็บความทุกข์ต่างๆมันก็ต้องมีสิ่งตรงกันข้ามคือความไม่แก่ไม่เจ็บความพ้นทุกข์ต่างๆและในทำนองเดียวกันนักวิทยาศาสตร์แม้จะสามารถผลิตอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมว่ามันจะต้องมีคนอื่นที่สามารถจะผลิตอาวุธ หรือเครื่องมืออะไรสักอย่างที่สามารถจะทำลายอาวุธนั้นได้เพราะฉะนั้นการเอาชนะกันด้วยอาวุธหรือด้วยกำลังภายนอกนั้นย่อมไม่มีทางที่จะสิ้นสุดลงได้เวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนการเอาเปรียบหรือการเบียดเบียนกันด้วยวิธีต่างๆวันนี้เราทำแกเขาได้สักวันหนึ่งก็จะต้องมีคนอื่นทากับเราได้เช่นเดียวกัน และคำว่าสักวันหนึ่งนี้ก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเป็นในชาตินี้อย่าลืมว่าคนเราเมื่อทำอะไรลงไปแล้วมันมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานและวิบาทุกอย่างที่เราทำไว้มันจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งชีวิตไม่ใช่มีเพียงชาติเดียวแต่ชีวิตมีนับชาติไม่ถ้วนหนีคนอื่นหนีได้ แต่นี้ตัวเองหนีไม่พ้นตราบใดที่กิเลสหรือวิบากยังมีอยู่ตายแล้วก็ต้องเกิดการเว้นไหวาตายเกิดเป็นหลักความจริงในทํานองเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสสารและพลังงานไม่มีศูนย์มีแต่การเปลี่ยนภาวะคนเราอยู่กับคนอื่นเช่นอยู่กับพ่อแม่อยู่กับลูกอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับเพื่อน หรืออยู่กับใครก็ตามแม้จะนานนับเป็นสิบสิบปีหรืออยู่ด้วยกันจนตลอดชีวิตมันก็เป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นในเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตซึ่งเป็นของยั่งยืนยิ่งกว่าอายุของโลกนี้คนเราจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองตลอดกาลถึงวันนี้ทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ก็เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ได้เลยว่าจะต้องรับผิดชอบในการกระทาแน่ รอสักวันหนึ่งวิบากของความไม่ดีหรือเรื่องราวที่ไม่ดีนี้มันจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนและในทำนองเดียวกันถ้าวันนี้ทำดีเราก็สบายใจได้ว่าต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนการเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงตามในยะที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและจำเป็นสาหรับทุกคน เพราะถ้าใครไม่เข้าใจมันก็เหมือนคนตาบอดเดินทางหรือคนตาดีเดินทางในที่มืดสำหรับคนธรรมดาที่มีสติปัญญาน้อยไม่มีอิทธิพลในสังคมโดยปกติแล้วคนเหล่านี้ไม่เป็นภัยต่อคนอื่นคนที่เป็นภัยต่อสังคมหรือต่อโลกก็คือคนที่ฉลาดมีอิทธิพลในวงงานต่างๆแต่จิตใจไม่สูงเห็นแก่ตัว สถาบันการศึกษาขั้นสูงควรจะได้พิจารณากันให้รอบคอบถึงแนวทางการศึกษาว่าการศึกษาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทําให้โลกเจริญแน่แล้วหรือทําให้โลกได้รับสันติสุขแน่แล้วหรือข้าพเจ้าคิดว่าผลที่ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ทุกวันนั้นมันบอกเราอย่างชัดเจนแล้วข้าพเจ้าคิดว่าโลกกําลังต้องการที่พึ่งและที่พึ่งที่ว่านี้ ก็จะไม่มีอะไรที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลายิ่งไปกว่าศาสนาแต่ศาสนาคนส่วนมากโดยเฉพาะพวกชั้นปัญญาชนดูถูกโดยเห็นว่าไม่ค่อยจําเป็นที่จะนำมาใช้ในวงงานต่างๆหรือถึงแม้หากเขาจะเห็นว่าจําเป็นก็เป็นการเห็นอย่างผิวเผินและในที่สุดก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆไม่ได้การที่จะแก้ความรู้สึกที่มีต่อศาสนาในลักษณะ น, นี้ ข้าพเจ้าเห็นว่ามีอยู่ทางเดียวคือจะต้องปรับระดับการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากันได้กับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงคนในระดับนี้ในเมื่อเข้าใจทั้งสองอย่างคือทั้งในทางวัตถุและในทางวิญญาณอย่างลึกซึ้งซึ่งคนประเภทนี้แม้จะมีเพียงไม่กี่คนก็จะสามารถทาให้โลกนี้สันติดได้ การศึกษาให้รู้ว่าวิญญาณมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างและมีอยู่ในวัตถุที่ไร้ชีวิตทุกอย่างอันนี้แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์อันมาพิจารณาถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติกันใหม่เมื่อใดเข้าใจคำว่าธรรมชาติถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งความเข้าใจที่ว่านี้จะนับว่าถูกต้องจริงๆแล้ว การพิสูจน์นั้นจะต้องลงตัวคือไม่ว่าจะคิดมาจากแง่ไหนมันจะต้องมาลงที่หลักอันนั้นเสมอและโดยเฉพาะก็คือทุกคนต้องการความพ้นทุกข์ถ้าหากความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติถูกต้องจริงๆแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้เอาชนะความทุกข์ได้ก็นี้เมื่อนะักวิทยาศาสตร์ส่วนมากยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว จึงแสดงให้เห็นว่าเขายังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้และการที่สร้างอาวุธต่างๆออกมาต่อสู้กันหรือพยายามเอาเปรียบกันด้วยชั้นเชิงต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นขอ้อพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีความกลัวและเป็นความกลัวที่ค่อนข้างจะพิสดารมากความกลัวบอกให้รู้ถึงความไม่รู้แจ้งเหมือนคนกลัวผี ก็เพราะไม่รู้ว่าผีคืออะไรแน่และเพราะไม่รู้อีกมันกันจึงก่อให้เกิดความยึดถือในคำสอนที่รับกันมาอย่างผิดๆว่าผีเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็วาดภาพต่างๆขึ้นมาแต่สำหรับคนที่รู้แจ้งในเรื่องนี้แล้วเขาไม่กลัวทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยความกลัวคนเป็นโรคประสาทกันมากนี่คือข้อพิสูจน์ที่ทาให้รู้ว่า การศึกษาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะต้องมีอะไรที่ผิดหรือไม่เช่นนั้นต้องขาดส่วนที่สำคัญไปมักมีองค์8หรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นทางให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์สำหรับคนที่เข้าใจความหมาย ของอริยศาสตร์ข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งนั้นก็ย่อมจะมองเห็นว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ปัญหาส่วนตัวแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจการศึกษาการปกครองปัญหาสังคมทุกอย่างก็สามารถที่จะแก้ได้เพราะปัญหาทุกอย่างที่กล่าวมานี้ก็คือสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งในความหมายที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ คือสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แก้ได้และการแก้ปัญหาที่ว่านี้ก็มีอยู่ทางเดียวที่ได้ผลแน่นอนคือต้องแก้โดยการเอามรกมีองแปดเข้าไปประยุกต์กับชีวิตของคนทั่วไปดังพุทธพจน์ว่าทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ คำพูดประโยคนี้เป็นพุทธพจน์และจากพุทธพจน์นี้ท่านจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เรายังแก้ไขกันไม่ได้ก็เพราะมัวแต่ไปใชวิธีอื่นไม่พยายามที่จะเอาเรื่องมรรคมีองค์แปดเข้าไปประยุกต์กับชีวิตของคนทั่วไปนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรงยังมองไม่เห็นทางว่าจะเอาเข้าไปประยุกต์กันได้อย่างไร หรือพูดอีกในย่าหนึ่งว่าดูจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนทั่วไปถือศีลทำสมาธิและเจริญวิปัสสนาแต่นี่คือความก็ใจผิดเพราะมัวแต่ไปคิดในแง่ว่าถ้าจะต้องให้คนทั่วไปมีศีลครบทุกข้อจะต้องทำสมาธิให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้จะต้องให้มีปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะให้คนทุกคนทำอย่างนี้แน่นอนย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่การที่จะทำให้คนบางคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยในวงงานต่างๆประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้พอสมควรนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เนื่องจากการค้นคว้าที่จะเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดผลเรายังไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังเลยไม่ว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงทำให้มองไม่เห็นทางที่จะนำเอาหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปแต่อย่างไรก็ดีขอให้พิจารณาดูว่าแม้แต่โจรถ้าหากพื้นเดิมของเขาซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าได้รับการอบรมในทางศาสนามาอย่างถูกต้องถึงแม้ต่อมาเขาจะเป็นโจรก็จะเป็นโจรที่มีทางจะกลับใจได้ง่ายแต่นี่ก็ยังไม่สาคัญส่วนที่สาคัญที่สุดก็คือ ความเป็นโจรของเขานั่นแหละที่จะทำให้เขารู้แจ้งว่าพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยให้ตัวเขาพ้นจากความทุกข์ได้บุคคลประเภทนี้เมื่อรอดมาสักคนหนึ่งเราก็จะได้คนที่มีความสามารถเหมาะสมแก่นหน้าที่ในอันที่จะไปกลับใจพวกโจรด้วยกันก็ในเมื่อตัวอย่างเช่นนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทำไมจึงไม่คิดหาทาง ที่จะนำเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์คือเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆแก่คนทั่วไปทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะพุทธพจน์บทนี้ขอได้โปรดพิจารณาดูให้ซึง้งแล้วนึกถึงบ่อยๆแล้วท่านจะเห็นทาง หลักฐานที่แสดงว่าสิ่งทั้งปวงมีวิญญาณข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการศึกษาให้เข้าใจว่าวิญญาณมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างและมีอยู่ในสิ่งที่ไร้ชีวิตทุกอย่างคือกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เกิดเอกภ า, ภาพในวงการศาสนาทั่วโลกและเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนา ทานมาสนใจพุทธศาสนาอย่างจริงจังและในที่สุดก็จะสามารถนำเอาความรู้ทางศาสนาไปประยุกต์เข้ากับทางวิทยาศาสตร์ได้และทำให้มองเห็นทางที่จะนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์ในทางสันติแก่มนุษยชาติได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้เราเห็นได้ชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าโลกจะสันติหรือจะเกิดไฟประไกันหลังโลกนั้นขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์ ส่วนพวกนักการเมืองนักเศรษฐกิจหรือนักการศึกษาในด้านอื่นๆนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องเดินตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีทางใดที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทันมาสนใจกับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วโลกก็จะได้รับสันติอย่างแน่นอนเพื่อเป็นแนวทางให้เห็นว่าศา ส, สนาต่างๆมีทางที่จะรวมกันได้ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเห็นในทานองเดียวกันนี้ก็เคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะข อ, อนำหลักฐานสถิตต่างๆมาแสดงให้ดูพอเป็นสังเกตดังต่อไปนี้ปรัชญาเรื่องวิญญาณของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน การที่จะเข้าใจโดยถ่องแท้ว่าวิญญาณมีสภาพเป็นอย่างไรแน่นั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราได้ศึกษาปรัชญาเรื่องวิญญาณของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานดูบางทีอาจจะทำให้เข้าใจเรื่องวิญญาณในคัมภีร์ของเราดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอคัดข้อความบางตอนในสูตรเว้ยหลังซึ่งเป็นสูตรของมหายานที่แพร่หลายมากและมีอิทธิพลมาก มาให้พิจารณาดูข้อความเหล่านี้ท่านพุทธทาสภิคุเป็นผู้แปลาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งในสูตรเวลังได้อธิบายเรื่องวิญญาณไว้ดังนี้ขนาดของใจนั้นใหญ่หลวงใจในที่นี้หมายถึง e อ s ซ n c e o อ m ไม้ขนาดของใจนั้นใหญ่หลวงใ เหมือนกันกับขนาดของอากาศคือสเปมันเป็นสิ่งที่บรญญัติไม่ได้คือมันไม่ใช่ของกลมหรือของเป็นเหลี่ยมไม่ใช่ของโตหรือของเล็กไม่ใช่ของเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาวไม่ใช่ของที่มีบนมีล่างไม่ใช่ของสั้นหรือยาวไม่ใช่ความชังหรือความชื่นไม่ใช่ความถูกหรือความผิดไม่ใช่ของดีหรือของชั่ว ไม่ใช่ของอันแรกหรืออันสุดท้ายความว่างอันไม่มีขอบเขตจำกัดของสากลจักรวาลเป็นสิ่งที่มีความจุมากพอที่จะรวมเอาสิ่งต่างๆตั้งแสนแสนสิ่งซึ่งมีรูปและสันฐานแตกแปลกกันเข้าไว้ในตัวมันได้สิ่งเหล่านั้นเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวทั้งหลายภูเขาแม่น้ําแผ่นดินน้าพุลาธาร พุ่มไม้ป่าไม้คนดีคนชั่วฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมืองสวรรค์เมืองนรกมหาสมุทรภูเขาทั้งหลายในเทือเขามหาเมรุหรือฮิมาลัยอากาศนั้นคือสเปซซึมเข้าไปมีอยู่ทั่วในสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้และความว่างแห่งธรรมชาติแท้ของเราธรรมชาติแท้ของเราคือจิตเดิม หรือดีเอ็นซ์ขอก็เข้าไปมีอยู่ในสิ่งต่างๆอย่างเดียวกันเรากล่าวว่าเป็นสิ่งใหญ่หลวงก็เพราะว่ามันรวมสิ่งต่างๆเข้าไว้หมดโดยที่สิ่งทุกสิ่งนั้นมันอยู่ในตัวธรรมชาติแท้ของเราเมื่อเราพบเห็นความดีหรือความชั่วก็ตามของบุคคลอื่นเราไม่ถูกมันดึงดูดให้ชอบหรือไม่ถูกมันผลักให้ชังหรือเราไม่เกี่ยวก่อกับมัน เมื่อนั้นลักษณะแห่งจิตใจของเราก็เป็นของว่างเท่ากันกันกบอากาศคือสเปซด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าใจของเราใหญ่หลวงใจนั้นมีขนาดแห่งความจุใหญ่หลวงโดยเหตุที่ใจนั้นสิงซึมคือติดเนื่องเป็นอันเดียวกันทั่วไปตลอดสากลจักรวาลเมื่อเรานำมันมาใช้ เราก็สามารถจะทราบอะไรได้หลายสิ่งจากบรรดาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดแต่เมื่อใดเราใช้มันโดยเต็มขนาดของมันเมื่อนั้นเราก็ทราบได้สารพัด ส, สิ่งไม่มีอะไรเหลือรู้ทุกๆสิ่งภายในหนึ่งสิ่งแล้วรู้หนึ่งสิ่งภายในทุกๆสิ่งเมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันโดยไม่ติดขัด และเป็นอิสระที่จะไปหรือมาเมื่อนั้นชื่อว่ามันอยู่ในภาวะแห่งปรชัชญามาเหตุผู้อ่านในเรื่องนี้ฟังได้เพิ่มเติมจากหนังสือเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะหลวงปู่ดู่รมปัญโยซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นและชมรมผ่อนดีจะททำเป็นเสียงอ่านเวลานะครับ คำว่ามโนโจิตใจและวิญญาณนั้นเป็นไวยพ์ซึ่งกันใช้แทนกันได้ส่วนคำว่าอากาศนัน้นต้องเข้าใจให้ตรงกับหลักของพุทธในที่นี้ท่านหมายถึงอากาศสาตธคือช่องว่างที่ว่างซึ่งจะมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเช่นเดียวกันเมื่อเราได้อ่านข้อความในสูตรนี้ ซึ่งอธิบายลักษณะของวิญญาณเป็นอนัตตะชัดเจนมากและขอให้ไปนึกถึงเรื่องในคำภีพระไตรปิฎกซึ่งกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าสามารถรู้เรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทะลุปรุโปรงด้วยอยาณที่เรียกว่าอตติตังสยานอนาคตตังสยานปัจจุบันนังสยานสามารถรู้ถึงความนึกคิดของคนอื่นแม้จะอยู่ไกลแสนไกลด้วยเจโตปริยญาณ ซึ่งมีหลักว่าเมื่อพระองค์กำหนดใจของพระองค์แล้วสามารถจะล่วงรู้ซึ่งใจของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรและในหลักอรูปฌานซึ่งได้กล่าวไว้ว่าวิญญาณ น, นั้นสามารถจะแผ่ไปทั่วส า, ากลจักรวาลเมื่อแผ่ไปถึงไหนก็จะล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่นั่นได้ดูเรื่องทศพลายานในมหาสีหนาสูตร จากมัชิมานิกายมัชิมาปันนาฏพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองขอให้เราใคร้ครวนึงเหตุผลว่าเอตไรพระองค์จึงสามารถล่วงรู้ได้อย่างนั้นถ้าหากว่าโดยธรรมดาวิญญาณไม่ได้มีสภาพคล้ายกับกระแสะแม่เหล็กที่แผ่ซ่านไปทั่วโลกแล้วการติดต่อกับวิญญาณอื่นๆจะพึงเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าหากสภาพของเหตุการณ์มิได้ถูกบันทึกไว้ด้วยสภาพแห่งวิญญาณคล้ายกับเสียงที่ถูกบันทึกไว้ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วคือเสียงได้เปลี่ยนเป็นระบบแม่เหล็กตามรูปของคลื่นเสียงถ้าหากสภาพของเหตุการณ์มิได้ถูกบันทึกไว้ด้วยสภาพแห่งวิญญาณพระองค์จะสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยไม่มีผู้ใดบอกได้หรือด้วยการเพียงแต่ทำใจให้เป็นสมาธิอันแน่วแน่ ทำใจให้ปราศจากอารมณ์ภายนอกทั้งหมดแล้วก็กำหนดใจเพื่อที่จะรู้เรื่องอะไรก็ทรงทราบเรื่องนั้นๆได้ตลอดข้อความบางตอนจากหนังสือเรื่องสมาธิและวิปัสสนาโดย Christmas Humphrey ในคริสมาสฮัมฟรีเป็นชาวอังกฤษได้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มเป็นผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามานานและต่อมาก็ได้เป็นนายกของพุทธสมาคมในประเทศอังกฤษได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มซึ่งแต่และเล่มล้วนแต่เป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งสิน้นหนังสือเรื่องสมาธิและวิปัสสนาที่ข้าพเจ้าอ้างถึงนี้ก็เป็นเล่มหนึ่ง ในจำนวนหนังสือที่มีค่ามากผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและถ้าหากเข้าใจความหมายโดยตลอดก็ก็จะรู้ว่านายคริสมัสฮัมฟรีย์เป็นผู้มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแตกฉานไม่เช่นนั้นจะเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาไม่ได้นายคริสมัสฮัมฟรีย์โดยอาชีพเป็นนักกฎหมายเคยเป็นตุลาการอาชญากรสงคราม หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงและไคยเข้ามาเมืองไทยไม่น้อยกว่าสองครั้งเป็นคนที่มีการศึกษากว้างรอบรู้ในลัทธิต่างๆและมีความรู้พระพุทธศาสนาทั้งในฝ่ายเทราวาดและมหาญาณเพราะฉะนั้นคนที่จะติดตามความคิดของนายคริสต์มาสฮัมฟรีได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีการศึกษากว้างขวางแต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการปฏิบัติ ข้อความบางตอนที่คัดมาจากหนังสือเรื่องนี้สำหรับคนที่เคยชินและศึกษาอยู่แต่ในฝ่ายเทราวาดก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของนายคริสตัสมาสแฮมฟรีแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะได้ฟังความคิดเห็นของชาวตะวันตกซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนในทางพระพุทธศาสนาดูบ้างเราอาจจะได้แนวความคิดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้เราเข้าใจพระพุทธศาสนาดีขึ้นกว่าเดิมดังต่อไปนี้หนึ่งคนคือส่วนย่อของจักรวาลสองชีวิตแต่ละชีวิตก็คือจักรวาลแต่ละอันฉะนั้นชีวิตแม้จะอยู่ในรูปที่เล็กที่สุด ก็คือจักรวาลที่เล็กที่สุดนั่นเองหมายเหตุผู้อ่านสําหรับในแง่นี้ขอให้ดูจากความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งนั้นแยกย่อยแล้วจะประกอบไปด้วยอะตอมและแต่ละอะตอมนั้นจะมีโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนนั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปรอบๆโปรโตอนและนิวตรอนอยู่ตลอดเวลา มองดูแล้วในแต่ละอะตอมนั้นก็คล้ายกับดวงดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันเมื่อเทียบเคียงแล้วในแต่ละสิ่งนั้นประกอบด้วยอะตอมจานวนมากมองแล้วก็คล้ายกับจักรวาลหรือกาแล็กซีหนึ่งนั่นเอง3พลังชีวิตโดยเนื้อแท้แล้วมีอย่างเดียวแต่แสดงออกเป็นคู่เช่นเป็นนามกับรูป หรือวิญญาณกับวัตถุเป็นชีวิตกับรูปความสว่างกับความมืดดีกับชั่วชายกับหญิงและอื่นๆสชีวิตมีอย่างเดียวและจะแบ่งแยกไม่ได้อาทางที่จะนำไปสู่จุดหมายคือชีวิตอันเดียวนั้น หรือความสมบูรณ์อันนั้นคือดิอัโซลูตก็มีอยู่ทางเดียวและทุกคนก็กำลังเดินอยู่บนทางนั้น 6. ทางที่จะนำไปสู่จุดหมายคือความตรัสรู้หรือการรู้แจ้งในตัวเองหรือการรู้แจ้งชีวิตว่ามีอันเดียวนั้นมีหลายทางและในเมื่อได้เลือกทางใดทางหนึ่ง เป็นทางที่เหมาะสำหรับตัวเองแล้วก็จะต้องปฏิบัติทางนั้นไปจนถึงที่สุดเสียก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่ทางอื่นเพราะทุกทางก็นำไปสู่จุดหมายอันเดียวกันถ้าคนไหนยังมองไม่เห็นว่าทุกทางย่อมนำไปสู่จุดหมายอันเดียวกันแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติตามทางของตัวไปจนถึงจุดหมายปลายทางของตนคือความตรัสรู้ได้ ข้อที่เจ็นักวิทยาศาสตร์เริ่มมองเห็นความจริงแล้วว่าพลังงานหรือวิญญาณกับวัตถุโดยเนื้อแท้แต่ดั้งเดิมแล้วก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันมาจากแหล่งอันเดียวกันแต่มาแตกต่างกันก็เพราะอัตราแห่งความสั่นสะเทือนหรืออัตราแห่งความเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาหรือทิศทาให้เกิดรูปต่างๆนั้นไม่เหมือนกัน ข้อที่8พระกฤษณะคือพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์พระกฤษณะพระคริสต์หรือพระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าภายในซึ่งเป็นสิ่งสากลเหมือนกันทุกคนทุกแห่งไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งหรือของศาสนาใดศา ส, สนาหนึ่งโดยเฉพาะและธรรมชาติแท้จริงของพระเจ้าภายในนี้ก็คือเนื้อแท้ของจิต หมายถึงจิตเดิมซึ่งอยู่เหนือความแตกต่างทุกๆอย่างหมายเหตุอาจารย์พรขอให้สังเกตว่าในพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาดก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอาหารหันต์แล้วย่อมละมานะซึ่งเป็นสังโยชนอันหนหึ่ง ในจำนวนสังโยชน์ห้าข้อข้างท้ายได้คือจะไม่รู้สึกว่าเราสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาและขอให้สังเกตว่าน้ำไม่ว่าจะอยู่ในทะเลในแม่น้ำในลําคลองในหนองในบึงในท้องฟ้าหรือจะอยู่ในหลุมหรือบ่อที่สกรปรกที่สุดเช่นในซ้ม่มเนื้อแท้ของน้ำก็ย่อมเหมือนกันหมดคือสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสิ่งสกปรกและในทางพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตก็สอนไว้อีกว่าคนที่บรรลุถึงมรรคผลและนิพพานจริงๆนั้นยอมจะไม่ยึดถือเอามรรคผลและนิพพานว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเรา ข้อที่เก้าคนที่เริ่มรู้พุทธศาสนาจริงๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ยอมจะเห็นว่าภูเขาไม่ใช่ภูเขาต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้แต่ในเมื่อเขาได้ตรัสรู้จริงๆแล้วก็จะเห็นภูเขาเป็นภูเขาต้นไม้เป็นต้นไม้อีกสิบทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาล เกิดจากวิญญาณซึ่งแทรกเสริมแผ่ซ่านอยู่ในสิ่งทั้งปวง11ในวัตถุที่ไร้ชีวิตหรือเนื้อแท่ธาตุต่างๆก็มีวิญญาณแต่อยู่ในสภาพที่ยังหลับคือยังไม่แสดงความรู้สึกออกมาให้สังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส ธ, ธรรมดาเหมือนกับวิญญาณในจาพวกพืชหรือในสัตว์ ที่แสดงความรู้สึกออกมาให้สังเกตเห็นได้สิบสองลังกาวตานสูตรเป็นสูตรหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานตอนนี้ไปเป็นข้อความตอนหนึ่งในสูตรนี้ซึ่งกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งได้มีคนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ความผิดพลาดของนักปรัชญาบางคนอยู่ที่ไหนคือเหตุใดผู้ปฏิบัติบางคนทั้งที่มีความรู้ปราดเปรื่องในหลักธรรมจึงไม่ตรัสรู้ความผิดพลาดของเขาอยู่ที่ไหนพระองค์ได้ตรัสตอบว่าความผิดพลาดของเขาอยู่ที่เขาไม่รู้ว่าโลกในทางวัตถุทุกอย่างซึ่งหมายถึงสาสารและพลังงานทุกอย่างเกิดมาจากจิต และระบบของจิตทั้งหลายก็เกิดมาจากจิตหมายเหตุอาจารย์พรจงเทียบกับคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปในหลักปฏิจจสมุปบาท 13. กฎแห่งการเกิดของนามรูปซึ่งต้องอาศัยกันและกันนั้น คือกฎปฏิจจสมุปบาทจะนำมาใช้อธิบายเรื่องของคนหรือเรื่องของจักรวาลก็ได้คำว่าปฏิจจสมุปบาทศาสตราจารย์บริสเดวิสผู้เชี่ยวชาญในพระไตยปิดกชาวอังกฤษก็เคยแปลคำนี้ว่า Law ก m i ิ l ลอกฎแห่งสากลจักรวาล หนังสือสมาธิและวิปัสสนาของนายฟิสมัสฮัมฟรีย์เล่มนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช1935ส่วนฉบับที่คัดออกมานี้ได้พิมพ์เมื่อคริสตศักราช1953และเข้าใจว่าคงจะได้พิมพ์ต่อมาอีกเพราะเท่าที่ทราบหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แพร่หลายมากเล่มหนึ่งจนกระทั่งต่อมาเวลาจะพิมพ์ไม่ต้องเรียงตัวอีกคือเขาได้ถ่ายทาเป็นบล็อกเก็บเข้าไว้ทุกหน้าเลย เท่าที่ข้าพเจ้าได้อ่านมาโดยตลอดแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากที่สุดความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าวิญญาณมีอยู่ในวัตถุทุกอย่างท่านเซอร์กายดิสจันทบุตร เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งชีวประวัติและงานของท่านผู้นี้มีกล่าวไว้ในหนังสือ Encyclopaedia Britannica ซึ่งเกิดเมื่อคริาาสตศักราช1856ได้ปริญญาเอกในทางวิทยาศาสตร์เมื่อคริสตศักราช1896คือเมื่ออายุได้38ปีและได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุท่านได้79ปี เมื่อคริสตศักราช 1,937 จันทโบสเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางฟิสิกส์และเป็นนักสรีรวิทยาทางพืชในการศึกษาค้นคว้าของท่านท่านได้นําเอาวิธีทดลองทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาใช้และได้สร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สําหรับพิสูจน์ข้อเท็จจริงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะก็คือท่านได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าคลิสโกกราฟ สำหรับบันทึกความเจริญเติบโตของพืชด้วยกราฟเครื่องมืออันนี้สามารถจะทําให้เห็นการเคลื่อนไหวหรือเจริญเติบโตของพืชได้เร็วและชัดกว่าเดิมถึง10บล้านเท่าคล้ายกับว่าถ้าเราถ่ายภาพการเจริญเติบโตของดอกไม้ที่ละขั้นด้วยฟิล์มภาพยนตร์แล้วมาต่อกันและฉายดูเราก็จะไล่เห็นการขยายตัวของมันอย่างชัดเจนผลงานในทางวิทยาศาสตร์ของท่านผู้นี้ก้าวหน้าไปไกลมาก จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ในยุคเดียวกันไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงที่ท่านพิสูจน์ได้ท่านได้เขียนหนังสือที่มีค่าไว้หลายเล่มเช่นหนังสือเรื่องการตอบสนองในสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตการตอบสนองของพืชกลไกเครื่องยนต์ของพืชนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลอื่นๆที่ได้เขียนชีวประวัติและงานของท่านไว้อีกหลายคน ข้อความบางตอนที่ข้าพเจ้าได้นำมาอ้างไว้ในที่นี้ได้คัดมาจากหนังสือซึ่งพิมพ์เมื่อคริสต ศ, ศัก ร, ราช 1,959 พิมพ์ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาต่อนนี้ไปคือข้อความบางตอนที่คัดลอกออกมาพืชก็มีวิญญาณ ข้อที่หนึ่งสำหรับคนที่สงสัยอย่างมากว่าพืชจะมีวิญญาณหรือไม่นั้นแผ่นรายงานของเครื่องมือที่เรียกว่าเพลสโกกราฟจะเป็นพยานได้อย่างดีว่าพืชทั้งหลายก็มีระบบประสาทซึ่งมีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมและมีชีวิตทางอารมณ์หลายอย่างเช่นความรักความเกลียดความยินดีความกลัวความสุขสราญการเจ็บปวดความตื่นเต้นความเกลียดคร้าน หรือความเงื่องหงอยและมีการตอบสนองต่อเครื่องราวอื่นๆ อ, อีกนับไม่ทวนอย่างเดียวกับที่เราเคยเห็นในจำพวกสัตว์ทั้งหลายวัตถุที่ไร้ชีวิตก็มีวิญญาณข้อที่2ในงานค้นคว้าของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ถูกนำเข้าไปในบริเวณอันเป็นเขตแดนของฟิสิก และสรีระวิทยายัางไม่รู้สึกตัวมันเป็นการประหลาดแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบว่าเส้นพรมแดนระหว่างอาณาจักรของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นมันหายไปและพร้อมกันนั้นเส้นบรรจบของอาณาจักรของสิ่งทั้งสองนี้ก็โผล่ขึ้นมาคือท่านได้พบว่าสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั้น มันไม่ได้แตกต่างกันเราะทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันก็มีชีวิตเหมือนกันข้อที่สามเรื่องมือของโบสได้แสดงให้เห็นว่าโลหะต่างๆเช่นเหล็กที่ใช้ทำกันกล และเครื่องจักรต่างๆก็รู้สึกเหนื่อยเป็นเหมือนกันถ้าใช้มันมากและจะทำให้หายเหนื่อยได้ด้วยการให้หยุดพักเป็นระยะๆที่ประจบในโลหะต่างๆคือการเคลื่อนไหวหรือความสั่นสะเทือนที่แสดงถึงความมีชีวิตของมันก็อาจจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหรือถึงกับตายเลยก็ได้ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าหรือความกดดันอย่างแรง ข้อที่สี่พลังงานชีวิตในโลหะต่างๆจะแสดงปฏิกิริยาต่อเครื่องเราอย่างชนิดแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์หรืออย่างแสดงเป็นมิตรในฐานะที่เครื่องเรามีประโยชน์ต่อมันก็ได้ทั้งสองอย่างต่อไปนี้ คือข้อความหลักที่ท่นานอางไว้ในเบื้องต้นเป็นการอธิบายหลักวิทยาศาสตร์กับหลักอภิญญาในชื่อหนังสือว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโดยนาวาเอกสนิทเฟื่องระบินวิทยาศาสตร์บัณฑิต BSc AM i e e แล้วระบุไว้ว่าข้อความในหนังสือเล่มนี้คือเอกสารทางวิทยาศาสตร์ขั้นโลกุตระที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหลักอภิญญาในพุทธศาสนา ซึ่งมักเข้าใจกันว่าเป็นไปไม่ได้นั้นเดี๋ยวนี้อธิบายได้แล้วด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วรับรองว่าเป็นไปได้ทั้งสิน้นความมหัศาจรรย์ของธรรมชาติคำขวัญในสมัยก่อนมีว่าผู้ใดได้ครองทะเลแล้วต่อไปจะได้ครองบกด้วยชาติที่มีเมืองขึ้นมากในยุคนั้น จึงต้องเป็นมหาอำนาจทางทะเลแต่ในสมัยนี้คำขวัญที่เปลี่ยนไปแล้วว่าผู้ใดได้ครองอวกาศแล้วต่อไปจะได้ครองโลกด้วยฉะนั้นในปัจจุบันนี้มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายจึงได้ทุ่มเทเงินทองอย่างไม่เสียดายในการพิชิตอวกาศเพื่อบรรลุผลสุดท้ายอย่างเดียวกันคือการครองโลก ซึ่งเป็นการหาเมืองขึ้นแบบใหม่ที่ลึกซึ้งแนบเนียนกว่าการล่าเมืองขึ้นในสมัยก่อนมากชาติใดที่ไปถึงดวงจันทร์ก่อนและกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ได้โดยสวัสดีภาพชาตินั้นอาจจะได้ครองโลกในการพิชิตอวกาศมนุษย์จะต้องออกเดินทางไปสู่ดาวนภพเคราะห์และดาวเลือดวงอื่นๆดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกดวงแรกที่อยู่ใกล้ที่สุด ที่มนุษย์คิดจะเดินทางเป็นการทดลองถ้าการเดินทางไปและกลับกระทําได้สําเร็จโดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นมนุษย์ก็จะคิดเดินทางไปสู่ดาวนกพเคราะ์และดาวฤกษ์ดวงอื่นๆเพื่อศึกษาและวิจัยชีวิตนอกโลกและความลึกลับต่างๆของจักรวาลต่อไปดาวแต่ละดวงอยู่ห่างกันหลายสิบถึงหลายร้อยปีแสงซึ่งหมายความว่าเดินทางไปด้วยความเร็วของแสง สามแสนกิโลเมตรต่อวินาทียังใช้เวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีกว่าจะถึงการเดินทางในระหว่างดวงดาวถ้าใช้ความเร็วต่ำๆเพียงสิบหรือสิบห้าเท่าของความเร็วเสียงจะต้องใช้เวลาหลายพันหรือหลายหมื่นปีกว่าจะถึงมนุษย์อวกาศก็จะแก่ตายกลางทางซะก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้น การเดินทางในระหว่างดวงดาวนั้นจะต้องใช้ความเร็วสูงมากคือใกล้เคียงกับความเร็วของแสงจึงจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในขณะที่นักบินอวกาศยังมีชีวิตอยู่ในการเดินทางด้วยความเร็วสูงเช่นการเดินทางออกไปนอกโลกนั้นผู้ที่เดินทางออกไปจะประสบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหลายประการด้วยกัน ประการแรกก็คือเวลาของการเดินทางซึ่งจะเป็นไปตามสมการดังนี้ในที่นี้ขออ่านให้ฟังคร่าวๆท่านที่สนใจดูภาพได้จาก Youtube นะครับซึ่งความจริงแล้วสำหรับคนทั่วไปนั้นรายละเอียดตรงนี้ข้ามไปก็ได้จับแต่สาระสำคัญคือผลที่เป็นไปตามสมการก็ได้นะครับ สมการที่1 t ใหญ่เท่ากับ t เล็กหาด้วยสแควรูทหลบ v กำลังสองส่วน c กำลังสองคือเวลาในโลกมนุษย์เท่ากับเวลาในการเดินทางจริงหาด้วยสแควรูทหลบความเร็วในการเดินทางกำลังสองส่วนความเร็วของแสงกำลังสองสมการนี้ค้นพบและบัญญัติขึ้น โดยพอลเลงเกเวนนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสและศาสตราจารย์แห่งคอเลจเดอฟรานซ์สูตรนี้ได้รับการรับรองจากไอน์สไตน์แล้วว่าเป็นความจริงถ้าท่านผู้อ่านจะลองสมมติตัวเลขลงในสมการดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าถ้าความเร็วในการเดินทางต่ำความแตกต่างของเวลาจะมีน้อยมากแต่ถ้าความเร็วในการเดินทางสูงขึ้น จนเกือบเท่าความเร็วของแสงแล้วความแตกต่างของเวลาจะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นเราลองสมมติว่าประเทศไทยส่งยานอาวกาศเดินทางไปสู่ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งใช้เวลาในการเดินทางไปหนึ่งปีเที่ยวกลับอีกหนึ่งปีรวมเวลาในการเดินทางจริงเพียงสองปีด้วยความเร็ว 299,900 กิโลเมตรต่อวินาที อยากทราบว่าเวลาในโลกมนุษย์จะผ่านไปนานเท่าใดจากการคำนวณตามสมการนั้นจะพบว่าเวลาผ่านไป200ปีโดยที่เวลาจริงบนยานอาวกาศนั้นใช้เวลาเพียง2ปีเท่านั้นซึ่งจากสมการนี้นักบินอวกาศที่ออกไปท่องอวกาศอยู่2ปีเมื่อกลับมาถึงโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เขาจะไม่มีโอกาสได้พบกับครอบครัวและคนรุ่นเดียวกับเขาเองเลยเพราะเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้วถึงสองร้อยปีเขาจะพบกับคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักเลยทั้งสิน้นถ้ายานอวกาศเดินทางไปด้วยความเร็วของแสงคือ v เท่ากับ c ลองแทนค่านี้ลงในสม ก, การที่หนึ่งก็จะเห็นได้ว่า ถ้าออกเป็นนอกโลกเพียงสองปีเท่านั้นเวลาในโลกมนุษย์จะกลายเป็นอินฟินิตี้คือนานไม่มีที่สิ้นสุดอาจเป็นหลายร้อยหรือหลายพันล้านปีก็ได้ภายในระยะเวลาอันยาวนานนี้อาจเกิดสงครามนิวเคลียร์ในโลกมนุษย์ขึ้นได้หลายครั้งจนอรารยธรรมสมัยใหม่หมดไปมีแต่อรารยธรรมดั้งเดิมเท่านั้นที่คงเหลืออยู่ มนุษย์อวกาศซึ่งแก่ตัวไปเพียงสองปีเท่านั้นอาจจะพบมนุษย์ที่นุ่งแต่ใบไม้หรือหนังสัตว์ถือควานหินเป็นอาวุธก็ได้เมื่อกลับมาถึงโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นตามที่ในพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงได้แก่ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจนได้รูปฌานและอรูปฌาน เมื่อจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพนั้นแล้วจะไปปฏิสนธิเป็นรูปประพรมและเอารูปประพรมมีอายุยืนนานนับแสนกันหนึ่งกันเท่ากับอายุของโลกซึ่งคนส่วนมากไม่ใครจะเชื่อก็ดูท่าทีว่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าพิจารณาตามสมการที่หนึ่งทางนี้ก็เพราะว่าถ้าพรหมโลกมีจริงบรรดาพรหมทั้งหลาย คงจะรู้สึกตัวว่าเวลาของเขาผ่านไปส0สถึงปีเท่านั้นก็ต้องจุดติเพื่อไปปฏิสนธิใหม่แต่เวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้วนับเป็นพันพันล้านปีผู้ที่จะมีความรู้สึกเช่นนี้ได้ผู้นั้นจะต้องมีความเร็วสูงมากคือใกล้เคียงกับความเร็วของแสงแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพรหมทั้งหลายถ้ามีจริง จะต้องเคลื่อนไหวไปมาด้วยความเร็วของแสงอยู่เสมอเขาอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้เหมือนกับที่พวกเราส่วนมากไม่ได้สังเกตและไม่ใครทราบว่าแม้เราจะนั่งเขียนหนังสืออยู่กับโต๊ะหรือนั่งคุยกันอยู่ก็ตามเราก็ยังมีความเร็วสูงถึงสาสิบกิโลเมตรต่อ ว, วินาทีเคลื่อนตัวไปรอบๆดวงอาทิตย์พร้อมกับโลกลูกปืนที่ถูกยิงออกไปจากปืนที่ทันสมัยที่สุด จะมีความเร็วสูงสุดไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรต่อ ว, วินาทีมนุษย์มีความเร็วสูงกว่าลูกปืนถึงส0สิบเท่าความจริงข้อนี้เกือบไม่มีใครสังเกตหรือรู้สึกตัวกันเท่าใดนักลองมาดูสมมติดูอีกครั้งว่าถ้ามนุษย์อวกาศเดินทางออกจากโลกมนุษย์ ไปด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของแสงก็เดินทางไปสู่ดาวเลิกดวงหนึ่งโดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับเพียงสองปีเท่านั้นเวลาในโลกมนุษย์จะผ่านไปนานเท่าใดจากสมการจะได้ผลลัพธ์ว่าเท่ากับลบ447สแควรูทลบหนึ่งปีเครื่องหมายลบที่ติดมาด้วยนั้น แสดงว่าเขาจะกลับมาถึงโลกมนุษย์นี้447ปีก่อนที่เขาจะออกเดินทางถ้าสมมุติว่านักบินอวกาศออกเดินทางจากประเทศไทยเป็นนอกโลกในปีพุทธศักราช2511 <c oughs> เขาใช้เวลาเดินทางอยู่ในอวกาศ2ปี 2> <c oughs> เขาจะกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งในปีพุทธศักราช2 0 6 4 ซึ่งตรงกับกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัยของพระรามาธิปดีที่สองเป็นมหากษัตริย์เราวนี้แหละที่นักบินอวกาศจะได้แลเห็นพระรามาธิปดีที่สองตัวจริงว่าพระองค์ท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างใดและทาทธิฎีการเว้นว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนาเป็นความจริงนักบินอวกาศก็จะแลเห็นด้วยตาของเขาเองว่า เมื่อ447ปีก่อนนั้นเขาเกิดเป็นอะไรอยู่ในตระกูลใดมีวันนะเป็นอย่างใดมีรูปหยาบหรือประณีตได้ประกอบกรรมอันใดไว้จึงได้ส่งผลให้มาสวยวิบากของมันในชาตินี้อย่างนี้เครื่องหมายสแควรูทลบหนึ่งที่ติดมาด้วยนี้ในภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า J operator มีบทบาทที่สำคัญในวัตถุและมวลสารต่างๆที่ว i b เบร e คือสั่นสะเทือนหรือ s c i ซิ a t e คือส่ายไปมาอยู่ในวัตถาของมันที่เรียกกันว่าการเคลื่อนตัวแบบฮ a r m o ม i c m o มช o n ค่าต่างๆของไฟฟ้าสลับที่ได้มาจากการคำนวณจะมี j o อ e ป a t o r รเตอร์ติดมาด้วยเสมอตัวอักษรเจใหญ่นี้เมื่อติดตามไปอยู่กับค่าใดแสดงว่าค่านั้น มีคุณสมบัติเป็นนามธรรมจากหลักฐานคือสูตรของแลงเกวินนี่เองที่ทำให้เราทราบได้ว่าผู้ที่จะสามารถลายเห็นอดีตอันแสนไกลของตนเองและผู้อื่นได้นั้นจะต้องมีความเร็วสูงกว่าความเร็วของแสงจึงจะสามารถไล่ตามทันแสงที่ผ่านไปแล้วหลายร้อยหรือหลายพันปีได้ซึ่งแสงเป็นปัจจัยในการเห็น 2. การไายเห็นเหตุการณ์ในอดีตอแสนไกลนั้นจะกระทำได้เฉพาะในทางนามธรรมเท่านั้นในทางรูปธรรมเช่นตาเนื้อคือฟิ i c a l e y อไม่สามารถจะลลยเห็นได้จะลลยเห็นได้เฉพาะทิพยยะจักสุคือสป i r i t u a l Eye เท่านั้นเช่นพระอาหารหันต์หรือพระอริยาบุคคลทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุถึง บุคเพนิวาสานุสติยานยานที่สามารถทำให้ระลึกชาติได้และเจโตปริยายานยานที่ทำให้เกิดทิพยจักรุเท่านั้นอุตุชนธรรมดาผู้ยังไม่บรรลุถึงขั้นดวงตาเห็นธรรมหรือได้อภิญญาจะไม่สามารถแลยเห็นเหตุการณ์ในอดีตได้รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในทางรูปธรรมเช่งกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพยนตร์และทางมชชีน ที่ฝรั่งกำลังคิดทำอยู่ก็เชื่อว่าไม่สามารถจะบันทึกเหตุการณ์ในอดีตได้สการเดินทางด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของแสงจะปฏิบัติได้เฉพาะในทางนามธรรมเท่านั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ในทางรูปธรรมสมจริงดังที่วิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า ความเร็วของแสงเป็นความเร็วสูงสุดที่มนุษย์จะกระทำได้ขณะนี้มนุษย์ก็กระทำได้เกือบสำเร็จอยู่แล้วในเครื่องไซโครทรอนซึ่งใช้ในการเวียงมวลด้วยความเร็วที่สูงกว่า 99% ของความเร็วแสงเครื่องไซโครทรอนนั้นคือเครื่องเร่งอนุภาคที่อนุภาคถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าและถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็ก ให้วิ่งวนเป็นวงออกไปคล้ายก้นหอยเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการอนุภาคจะถูกปล่อยให้ชนกับวัสดุที่ใช้เป็นเป้าเครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้ใช้ในการวิจัยฟิสิกส์มูลฐานและการผลิตสารไอโซโทปรังสี ความอาศจั์ประการที่สองของธรรมชาติก็คือการเปลี่ยนแปลงของมวลซึ่งจะเป็นไปตามสมการคือ m ใหญ่เท่ากับ m เล็กหารด้วยสแวลบ v กําลังสองส่วน c กําลังสองคือมวลใหม่เท่ากับมวลเดิมหารด้วยสคร 2, สวรลบความเร็วของมวลกําลังสองส่วนความเร็วของแสงกําลังสอง สมการนี้ไอสไตน์เป็นผู้ค้นพบและบัญญัติขึ้นกิติศั์ของบุคคลนี้เป็นอย่างใดท่านผู้อ่านทุกคนคงทราบดีแล้วในสมการที่สองนี้ถ้าเราทดลองสมมุติค่าต่างๆลงไปก็จะเห็นได้ว่ามวนจะมากขึ้นตามความเร็วที่มันเคลื่อนตัวไปและมากจนประมาณไม่ได้เมื่อมันเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วของแสง สมมติว่านักบินอวกาศมีมวลหนึ่งรอยกิโลกรัมในโลกมนุษย์ออกเดินทางด้วยยานอาวกาศออกไปนอกโลกด้วยความเร็ว2 9 9 9ส0กรอยกิโลเมตรต่อวินาทีเมื่อออกไปอยู่นอกโลกแล้วนักบินอวกาศจะมีมวลเท่าใดจากสมการที่สองจะเห็นได้ว่านักบินอวกาศจะมีมวลเท่ากับสิบตัน นั่นคือนักบินอวกาศซึ่งมีมวลหนึ่งรอกิโลกรัมที่พื้นโลกเมื่อออกเป็นนอกโลกด้วยความเร็วสอง9 0 0กรกิโลเมตรต่อวินาทีจะมีมวลหรือน้ำหนักสิบตันถ้ายานอาวกาศเดินทางไปด้วยความเร็วของแสงมวลของนักบินอวกาศจะกลายเป็นอินฟินิตี้คือหลายพันหรือหลายหมื่นตันหรือมากกว่านั้นจนประมาณไม่ได้ ความจริงข้อนี้ได้ปรากฏให้เห็นแล้วในเครื่องไซโครทรอนเมื่อข้าพเจ้าศึกษาเรื่องไซโครทรอนในวิชาอะตอมิกฟิสิกส์ข้าพเจ้าเข้าใจว่าไซโครตรอนที่ใช้ในการวิจัยคงจะมีขนาดเล็กๆอย่างใหญ่ก็คงจะเพียงขนาดทั้งไต่จักรยานยนต์ตามงานวัดเท่านั้นเพราะใช้เหวี่ยงมวลสารที่มีน้ำหนักเพียงมิลลิกรัมเท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2507 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูวนย์วิจัยปรมานูของฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นกําลังทําเตาปฏิกอนปรมานูให้แก่เรือดำน้ําปารมานูของฝรั่งเศสลําแรกข้าพเจ้าต้องประหลาดใจเพราะเครื่องไซคโครทรอนตัวจริงที่ข้าพเจ้าลายเห็นนั้นมีขนาดพอๆกับสนามกีฬาที่หัวหมากผิดกับที่ข้าพเจ้าเคยคิดไว้มากและเพิ่งมาทราบความจริงในภายหลังว่าที่ต้องทําใหญ่โตมโหัาลขนาดนั้น ก็เพราะว่ามวลเพิ่มตามความเร็วมิลลิกรัมก็จะกลายเป็นหลายพันตันขึ้นมาเครื่องไซโครทรอนจึงต้องทำใหญ่โตแข็งแรงมากมิฉะนั้นจะไม่สามารถทานพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นมามากมายได้ ความมหัศจรรย์ประการที่สามของธรรมชาติก็คือการเปลี่ยนแปลงของมิติซึ่งจะเป็นไปตามสมการที่ไอสไตน์ได้ค้นพบและบัญญัติขึ้นดังนี้ S ใหญ่ H ay, เท่ากับ S เล็กสแควรูทลบ v กําลังสองส่วน c กําลังสองโดยที่ S พิมพ์ใหญ่เท่ากับความยาวใหม่ตัว S พิมพ์เล็ก เท่ากับความยาวเดิมลองสมมุติตัวเลขดูอีกครั้งคราวนี้ให้นักบินอวกาศสูง2เมตรบนพื้นโลกซึ่งนับว่าค่อนข้างสูงมากสำหรับมนุษย์เดินทางออกไปนอกโลกด้วยความเร็ว 299,900 กิโลเมตรต่อวินาทีเขาจะสูงเท่าใดเมื่ออยู่ในอวกาศจากสมการที่สามนั้น จะได้ผลลัพธ์ว่าเขาสูงเท่ากับ2เซนติเมตรนั่นคือนักบินอวกาศซึ่งสูง2เมตรที่พื้นโลกเมื่อออกเป็นอวกาศจะสูงเพียง2 cm, เซนติเมตรเทียบก่าต้นมะเขือซะอีกแต่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเพราะยานอาวกาศตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆมันจะหดตัวลงมาเหมือนกันหมดในอัตราส่วนอย่างเดียวกัน ถ้านักบินอวกาศเดินทางไปด้วยความเร็วของแสงจากสมการที่สมนี้จะเห็นได้ว่ามิติทั้งหมดกลายเป็นศูนคือไม่มีรูปร่างใดๆปรากฏให้เห็นอีกแต่ไม่ได้หมายความว่านักบินอวกาศเสียชีวิตเมื่อผ่านกำแพงแสงความจริงเขายังมีชีวิตอยู่แต่อาจจะมีชีวิตอยู่แบบนมามธรรมล้วนๆโดยไม่มีรูปธรรมปรากฏให้เห็น แบบบรรล ป, ประพรมก็ได้เมื่อความเร็วในการเดินทางลดลงมาต่ำกว่าความเร็วของแสงรูปธรรมของเขาก็จะปรากฏให้เห็นอีกตามพุทธธรรมนายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมนายไว้เมื่อสองพันปีเศษมาแล้วว่ามนุษย์นับวันจะตัวเล็กลงไปทุกทีก็กำลังจะเป็นความจริงเพราะมนุษย์สมัยใหม่ มีความเร็วสูงขึ้นทุกทีขนาดของมนุษย์ก็จะเล็กลงตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามสมการที่สามที่ไอสไตน์ได้ค้นพบและบันัติไว้ในสมัยพุทธกาลมนุษย์เดินทางไปด้วยยานพาหนะที่ลากจูงไปด้วยกำลังคนหรือสัตว์ความเร็วที่เคลื่อนที่ไปตาำ ม, มากจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในทางมิติในปัจจุบัน มนุษย์เดินทางไปด้วยความเร็วของเสียงคือเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่บินได้เร็วกว่าสองเท่าของความเร็วเสียงมิติก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่ยังสังเกตไม่ได้ในอนาคตการนันใกล้นี้เมื่อมนุษย์คิดจะเดินทางไปสู่ดวงดาวอื่นๆด้วยความเร็วที่สูงมากจนเกือบเท่าความเร็วของแสงมนุษย์ก็จะตัวเล็กลงไปทุกทีจนขนาดต่างๆหายไปหมด เมื่อเดินทางไปด้วยความเร็วของแสงปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงทราบเหตุการณ์ในอนาคตได้ดีและทรงพยากรล่วงหน้าไว้เป็นเวลานานหลายพันปีสิ่งที่พระองค์ทรงพยากรไว้วิทยาศาสตร์ก็รับรองแล้วกำลังคอยการปฏิบัติอยู่เท่านั้นสิ่งที่มนุษย์สมัยใหม่ไม่เคยนึกเชื่อ ก็กำลังจะเป็นความจริงทำไมพระองค์จึงทรงทราบได้ดีทั้งอดีตการและอนาคตการอั็นแสนไกลก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพันยูทรงรู้แจ้งเห็นจริงในทุกๆสิ่งและทรงเป็นโลกะวิทูทรงรู้แจ้งเห็นจริงไม่เฉพาะแต่ในโลกนี้พบนี้เท่านั้นแม้ในโลกอื่นพบอื่นเช่นกามพบรูปพบอรูปพบ และอื่นๆพระองค์ก็ทรงทราบได้เป็นอย่างดีหมายเหตุผู้อ่านแต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเรื่องหลายเรื่องนั้นแม้จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่พุทธวจนะเป็นคำอธิบายขยายความของอัธกถาซึ่งต้องเข้าใจว่า ในรายละเอียดเหล่านั้นหลายส่วนก็เป็นการเล่าและอธิบายแบบปุคลาธิฐานคือบางครั้งก็เป็นการสมมุติบางสิ่งที่คนในยุคนั้นเข้าใจได้ง่ายมาอธิบายหลักการบางอย่างจึงไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นเป๊ะ เ, เสมอไปและในบางส่วนก็เป็นเพียงสำนวนเช่นคำว่าห้าร้อยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีห้าร้อยจริงๆคล้ายกับคำว่าโจรห้าร้อยที่หมายถึงโจรใจเหี้ยม ห้าร้อยชาติหรือห้าร้อยปีก็เป็นเพียงสำนวนที่หมายถึงความยาวนานประมาณหนึ่งเท่านั้นท่านว่าในความจริงแล้วอาจจะมีไม่กี่ชาติไม่กี่ปีหรืออาจจะมีถึงหลายแสนปีก็ได้ในส่วนของระยะทางและขนาดก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าร้อยปีห้าพันปีหรือจะเป็น8 4มืนพันโยชดน์8่พั0ปีก็ตามก็เป็นเพียงสันวนเบื้องต้น ที่ต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงจำนวนเท่านั้นจริงๆเช่นแ4ด0 0นสี่พันนั้นก็เพื่อให้พร้องกับ8 4ด0 0สี่พันพระธรรมขันธ์จะได้จดจำได้ง่ายซึ่งในอดีตนั้นการจดจำพระไตรปิฎกจะสืบต่อกันโดยแต่งเป็นบทสวดการใช้คำจึงต้องให้คล้องจองและสลาสลวยเป็นบทสวดหรือคาถาให้ท่องจำได้ง่ายสวดได้คล่องปากดังนั้น ในส่วนของรารเอียดเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจให้ตรงด้วยว่าเป็นเพียงสำนวนทางภาษาหรือเป็นคําบรรยายเพื่อให้คนในยุคนั้นเข้าใจได้ง่ายเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้เองนะครับที่ทำให้นักวิชาการหลายท่านที่ได้อ่านพระไตรปิฎกในบางส่วนแล้วก็ปรามาดว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงหรือสิ่งที่กล่าวไว้นั้นไม่ใช่เป็นความจริงเชื่อถือไม่ได้และพลอยทําให้ความรู้ด้านอื่นๆนั้ น, น, นดูไม่น่าเชื่อถือไปด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาก็ต้องเข้าใจคำภีให้ถูกต้องก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยนะครับลองมาคิดดูเล่นลนว่าสิ่งที่มีชีวิตจากโลกอื่นๆอาจเดินทางมาสู่โลกมนุษย์นี้ได้โดยเราไม่มีโอกาสเลยเห็นเขาเพราะเขาเดินทางมาด้วยความเร็วของแสงสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้ อาจไปอยู่คลุกคลีกับเราโดยใกล้ชิดก็ได้โดยที่เราไม่ทราบและไม่มีโอกาสลายเห็นได้เขามองเห็นเราและอยากติดต่อกับเราโดยที่เราไม่มีโอกาสทราบและติดต่อกับเขาได้เนื่องจากอยู่กันคนละภูมิภูมิของเขาเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วของแสงแต่ภูมิของเราเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วเพียงส0สบกิโลเมตรต่อวินาทีในที่นี้คืออัตราความเร็ว ของการหมุนรอบตัวเองของโลกภูมิของเขาเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วของแสงแต่ภูมิของเราเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วเพียง30กิโลเมตรต่อวินาทีแตกต่างกันมากจนไม่สามารถติดต่อกันในทางรูปธรรมได้แม้จะอยู่ใกล้ชิดกันมากปานใดก็ตามจะเป็นไปได้หรือไม่คีดคนสมัยก่อนได้เรียกสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้ว่า รุกขเทวดาผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่และอื่นๆซึ่งเป็นกำเนิดที่สี่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับเรียกสิ่งที่มีชีวิตและอินทรบริบูร์เหล่านี้ว่าโอปปาติกะนอกจากสมการที่สองและสามแล้ว ไอนสไตน์ยังค้นพบพลังงานของมวลโดยบัญญัติไว้ว่า E เท่ากับ mc กําลังสองหารด้วยสแควร์รูทหนึ่งลบ v กําลังสองส่วน c กําลังสองคือพลังงานเท่ากับมวลหารด้วยสแควร์รูทหนึ่งลบความเร็วของมวลกําลังสองส่วนความเร็วของแสงกําลังสองถ้าขยายสมการที่สออกไป โดยใช้กฎของแมคคลอรินก็จะได้สมาการที่หเป็นสมาการแบบไม่รู้จบคือจะเขียนต่อไปอีกกี่บรรทัดก็ได้แต่ความถูกต้องแน่นอนจะมีเพียง3าถึงสเทอมแรกทางขวามือของสมาการเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าเทอมที่สามทางขวามือของสมาการที่หถูกหารด้วยความเร็วของแสงกำลังสองฉะนั้นจึงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสองเทอมแรก เราตัดทิ้งได้โดยไม่ทำให้ค่าของสมการทั้งหมดเปลี่ยนแปลงดังนั้นสมการที่หจึงลดลงมาเป็น E เท่ากับ m c กําลังสองบวก1ส่วน2 m v กําลังสองซึ่งในที่นี้ถือว่าเป็นสมการที่หถ้ามวลอยู่กับที่ v เท่ากับ0สมการที่6 จะลดลงมาเป็น E ทากับ m c กําลังสองซึ่งในที่นี้ถือว่าเป็นสมการที่7สมการที่เจนี้เป็นสมการที่สำคัญมากแสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ได้มาจากการทำลายมวลลองทดลองคิดดูว่าถ้าทำลายมวลหนึ่งกรัมเราจะได้พลังงานเท่าใดโดยใช้ระบบ cgs unit m เท่าก <rain> ับ1กรัม c เท่ากับความเร็วของแสงเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจึงเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง10เซนติเมตรต่อวินาทีจากสมการที่7จะได้เท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง20 ergs มาถึงขั้นนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าพลังงานที่ออกมา 9กคูณยกกำลัง20 E R G S ในการทำลายมวลหนึ่งกรัมนี้มากมายมหาศาลปานใดลองทำเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงดูโดยเทียบ1กิโลวัต์เราจะได้เท่ากับ 2.5 คูณ10ยกกำลัง8กิโลวัตเท่ากับ250ห้าล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้า250ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ได้มาจากการทำลายมวลหนึ่งกรัมนี้ถ้ามาจ่ายไฟให้จังหวัดเล็กๆที่มีคนอยู่ไม่เกิน 20,000 คนแล้วจะจ่ายได้นานถึงหนึ่งปีทีนี้ลองมาทำเป็นแคลอรี่ดูบ้างโดยเทียบหนึ่งแคลอรี่เท่ากับ 4.18 คูณ10ยกกำลัง7 ergs เราจะได้เท่ากับ 2.16 คูณ10ยกกำลัง13แคลอรี่หรือเท่ากับพลังงานความร้อนที่ใช้ต้มน้ำ216ล้านลิตรจากอุณหภูมิศูนย์องศาเซนติเกรดจนเดือดฉะนั้นจึงไม่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ลูกระเบิดปรามานูเพียงลูกเดียวสามารถทำลายมหาคนครใหญ่ให้พินาศลงได้ภายในพริกตาเดียวลูกระเบิดปรามานูก็ไม่ใช่จะมีน้าหนักเป็นเพียงกรัมเท่านั้น แต่น้ำหนักของมันเขาคิดเป็นกิโลตันหรือเมกะตันคือหน่วยล้านตันอำนาจการทำลายของมันจะสยดสยองหน้าสะพึ่งกลัวเพียงใดท่านผู้อ่านคงจะนึกภาพได้ดีเรือสมัยใหม่ในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานปารมณูในการขับเคลื่อนเพราะประหยัดกว่าและรัศมีทำการไกลกว่าเชื่อเพลิงเพียงกรัมเดียวก็สามารถเดินทางไปได้รอบโลก การทำลายมวลที่เราเห็นเป็นประจำอยู่ทุกวันนี้ก็คือปรากฏการธรรมชาติในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ทำลายมวลของมันเองในอัตราที่สูงมากคือสี่ล้านตันต่อวินาทีออกมาในรูปของพลังงานความร้อนและแสงสว่างฉะนั้นดวงอาทิตย์ก็มีขนาดเล็กลงทุกวันและจะดับหมดลงวันใดวันหนึ่งในอนาคตแต่เนื่องจากดวงอาทิตย์ มีมวลอันมหาศาลกว่ามันจะทำลายตัวของมันเองหมดก็ต้องใช้เวลาอีกนับเป็นพันล้านปีต่อจากนั้นจึงจะถึงยุคมืดและยุคน้ำแข็งซึ่งจะเป็นอวสานของบรรดาพืชและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในสุริยจกกะจักรวาล ในวิชาฟิสิกส์แบบเก่าคือคลาสสิกฟิสิกส์ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่าโลกิยาฟิสิกส์เพราะเป็นวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของมวลไปด้วยความเร็วต่ำๆที่สามารถกระทำได้บนพื้นโลกหรือในบรรยากาศของโลกเท่านั้นสมการของพลังงานคือโลกิยาฟิสิกส์ E เท่ากับ่ส่วนอ mv กลังสอง ซึ่งในที่นี้นับเป็นสมการข้อที่8คือสูตรของพลังงานจลของมวลที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วลองเปรียบเทียบดูกับสมการที่6ที่ไอสไตน์ค้นพบซึ่งในที่นี้เรียกว่าโลกุตระฟิสิกคือ E เท่ากับ m c กำลังสองบวก1ส่วนสอง m v กำลังสองจะเห็นได้ว่าในโลกิยาฟิสิก ไม่มีเทอมของ m c กำลังสองอยู่ด้วยนับว่าขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปเพราะ m c กำลังสองนี้มีค่าอันมหาศาลดังที่ได้แสดงให้ดูมาแล้วฉะนั้น m c กำลังสองจึงกลายเป็นพลังงานแฝงคือ l a t e n energy เช่นเดียวกับความร้อนแฝงคือ l a t ิ n t heat ซึ่งตามธรรมดามักจะไม่แสดงตัวจะแสดงตัวออกมาเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพธรรม คือ change of state เช่นจากน้ำแข็งเป็นน้ำและจากน้ำเป็นไอ้ น, น้ำเป็นต้นเท่านั้นฉะนั้นสูตรต่างๆในวิชาโลกาฟิสิก์จึงยังใช้ได้ตราบใดที่มวลยังไม่เคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วที่สูงมากหรือถึงขั้นเปลี่ยนสภาวะธรรมคือการทำลายมวลถ้าถึงขั้นเปลี่ยนสภาวะธรรมหรือการทำลายมวลเมื่อใด สูตรต่างๆในโลกยาฟิสิก์ก็หมดสมัยนำมาใช้อีกไม่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างสมการที่6และ8นี่เองที่เป็นเครื่องยืนยันให้เราทราบได้อย่างแน่นอนว่าทุกสิ่งที่มีมวลต้องมีพลังงานแฝงอยู่ในตัวของมันอยู่เสมอตราบใดที่มวลของมันยังไม่ถูกทำลายตราบนั้นพลังงานแฝงนี้จะนอนนิ่งอยู่ไม่แสดงตัวออก ถ้ามวลของมันถูกทำลายเมื่อใดเมื่อนั้นพลังงานแฝงจะปรากฏตัวออกมาเป็นพลังงานที่มีอำนาจมหาศาลอย่างที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนสาสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยูเรเนียมตะกัว่วก้อนอิฐต้นไม้และอื่นๆล้วนเป็นสิ่งที่มีมวลทั้งสิน้นเมื่อมีมวลก็ย่อมมีพลังงานแฝงอยู่ในตัวของมันฉะนั้น จากการค้นพบของไอสไตล์เราจึงได้ทราบว่าพลังงานเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงมาเหตุผู้อ่านและให้สังเกตนะครับว่าในทางพุทธศาสนานั้นระบุชัดเวแล้วถึงเรื่องนี้แต่ใช้คำว่ามโนเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงซึ่งมโนก็คือจิตหรือใจหรือวิญญาณและเป็นสิ่งที่อาจารย์พร พยายามอธิบายมาตลอดว่าในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณที่เป็นในลักษณะพลังงานแฝงชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังงานด้านนามธรรมาซึ่งดูไดจากการทดลองในจักรวาลจำลองที่ค้นพบว่าเกิดอนุภาคจากความว่างได้และววิทยาศาสตร์ก็คงยังต้องพิสูจน์กันต่อไปเพื่อค้นหาให้ได้ว่าแล้วตัวการที่สร้างอนุภาคจากความว่างนั้นคืออะไรซึ่งในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์ในด้านวัตถุ ไม่มีทางจะรู้เห็นพลังงานเหล่านี้ได้จริงเลยนะครับเพราะว่าเป็นพลังงานนมามธรรมจะรู้ได้ด้วยใจหรือรู้เห็นสัมผัสกันได้จริงจากอำนาจของอภิญญาหรือสมาธิขั้นสูงขึ้นไปเท่านั้นสมการที่เจ็เป็นสมการแบบหรือเวอร์ซ e เบิลอิคซึ่งจะเขียนอีกแบบได้ดังนี้คือ e เครื่องหมายลูกศรคู่ไปกลับ mc กลังสองหรือพลังงานเป็นปัจจัยให้เกิดมวลและมวลก็เป็นปัจจัยให้เกิดพลังงาน reversible reaction symbol เครื่องหมายลูกศรคู่ไปกลับนั้นแทนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้คือสามารถเปลี่ยนไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนย้อนกลับได้ สมการที่7เป็นสมการแบบ reversible equation ซึ่งจะเขียนอีกแบบได้ดังนี้คือ E เครื่องหมายลูกศรไปกลับ mc กําลังสองหรือพลังงานเป็นปัจจัยให้เกิดมวลและมวลก็เป็นปัจจัยให้เกิดพลังงานเมื่อเขียนมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าก็นึกถึงพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในกฎของปฏิจจสมุปบาทตอนหนึ่งว่าวิญญาณปัจจยานามะรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามารูปปัจจยาวิญญาณนังนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าเขียนเป็นสมการเคมีจะเป็นดังนี้คือวิญญาณเครื่องหมายลูกศรไปกลับนามรูปซึ่งในที่นี้ นับเป็นสมการข้อที่ส1บอลองเปรียบเทียบสมการที่ส1อที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเมื่อ 2,500 ปีเศษมาแล้วกับสมการที่สิบที่ไอสไตน์คนพบเมื่อห0สิบปีเศษมาแล้วว่าคล้ายคลึงกันมากปานใดเมื่อกล่าวว่าน้ารูปก็คือมวลคงจะไม่มีผู้ใดสงสัยแต่วิญญาณคือพลังงาน อาจมีผู้สงสัยได้ฉะนั้นจะขอยกการค้นพบของพระบรมศาสดากับของไอสไตน์มาเปรียบเทียบกันให้ดูดังนี้คือพระพุทธเจ้าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงไอสไตน์พลังงานเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้า วิญญาณเป็นผู้สร้างนามรูปไอสไตล์พลังงานเป็นผู้สร้างมวลจากการเปรียบเทียบนี้เองก็จะเห็นได้ถนัดว่าวิญญาณก็คือพลังงานและพลังงานก็คือวิญญาณ น, นั่นเองได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าสสารทุกชนิดที่มีมวลจะต้องมีพลังงานฝงอยู่ในตัวของมัน ฉะนั้นก็อาจกล่าวได้ว่าสสารทุกชนิดที่มีมวลจะต้องมีวิญญาณแฝงอยู่ในตัวของมันไม่ว่าจะเป็นก้อนอิดก้อนหินต้นไม้และอื่นๆย่อมมีวิญญาณแฝงอยู่ในตัวของมันทั้งสิน้นพระพุทธศาสนากําหนดให้วิญญาณเป็นขันธ์ที่ห้ามีคุณสมบัติเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนมองไม่เห็นจับต้องและสัมผัสไม่ได้ พลังงานส่วนใหญ่ก็มีคุณสมบัติเป็นนามธรรมเช่นพลังงานแสงสว่างพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมองไม่เห็นถูกต้องและสัมผัสไม่ได้จากการเปรียบเทียบการค้นพบของพระบรมศาสดากับท่านไอน์สไตน์ปราชญ์เอกของโลกก็จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าใด ก็เข้ามาสนับสนุนหลักการต่างๆในพระพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นเรื่องของมวลเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสาหรับผู้เริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเพราะหน่วยของมวลเ็าบอกเป็นปอนหรือเป็นกรัมทำให้ผู้ที่เริ่มศึกษาใหม่ๆเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่ามวลคือน้ำหนักแต่ความจริงมวลไม่ใช่น้ำหนัก เพราะถ้าจะทำมวลให้เป็นน้ำหนักจะต้องเอาค่าของ g คือ gravity หรือแรงดึงดูดมาคูณจึงจะออกมาเป็นน้ำหนักจะว่าเป็นความแน่นของวัตถุก็ไม่ใช่เพราะความแน่นนั้นมีศัพท์โดยเฉพาะอยู่แล้วคือ density ฉะนั้นมวลจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจา ย, ยากสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ความจริงมวลก็คือความเป็นตัวตนของวัตถุนั่นเองที่ทำให้สิ่งต่างๆมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเช่นทองคํากับตะกัว่วแม้จะเป็นโลหะเหมือนกันแต่มวลของมันต่างกันฉะนั้นความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือคุณสมบัติของมันจึงแตกต่างกันรวมทั้งราคาของมันด้วย การที่เราเอาวัตถุมาทุบบดเผาหรือต้มอาจใจเป็นการทำลายมวลหรือความเป็นตัวตนของมันไม่เป็นแต่เพียงการเปลี่ยนสภา ว, ว่ารมทางเคมีหรือฟิสิกส์ของวัตถุนั้นมวลหรือตัวตนของมันยังอยู่และมันจะกลับมาเป็นธาตุเดิมของมันอีกเช่นตัวอย่างการเผาถ่านไม่ใช่การทาลายมวลหรือความเป็นตัวตนของถ่าน เป็นแต่เพียงการเปลี่ยนแปลงสภาวะธรรมทางเคมีของมันเท่านั้นเท่าเมื่อถูกเผาจนร้อนจัดก็จะเข้ารวมตัวกับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตามสมการเคมี C O2 ทกับ CO2 คือถ่านบวกแก๊สออกซิเจนเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งในที่นี้นับเป็นสมการที่12บสอง สมการที่12เป็นสมการของการเผาไหม้หมดจดของถ่านฉะนั้นจึงไม่มีขม่าหรือคิดเท่าลงเหลืออยู่คือถ่านเข้าผสมกับแก๊สออกซิเจนในอากาศจนหมดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นถำให้ผู้ที่ไม่ทราบเข้าใจว่ามวลหรือตัว ต, วตนของถ่านถูกทำลายหมดแต่ความจริงไม่ใช่มวลหรือตัว ต, วตนของถ่านยังอยู่ในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เป็นแก๊สอันตรายถ้าใครสูดเข้าไปมากๆนานๆอาจทำให้ตายได้แม้ตัวตนของทานยังมีอยู่แต่เราก็มองไม่เห็นถ้าใครมีวิธีไปกระเทาะเอาออกซิเจนสองปรมกาณูออกมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วอย่างในประเทศอุตสาหกรรมที่เขากลัวบรรยากาศเป็นพิษเขาจะมีกฎหมายบังคับให้ติดเครื่อง คาร์บอนพรีเซปิเทชันแ p พพลิเทสคือเครื่องดักจับคาร์บอนไว้ที่ปล่องโรงงานทุกๆปล่องฐานก็จะตกตะกอนทันทีตอนนี้แหละเราจะลายเห็นฐานได้เพราะมันกลับมาเป็นธาตุเดิมของมันอีกครั้งหนึ่งการต้มน้ำก็เหมือนกันไม่ใช่การทำลายมวลของน้ำเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนสภาพะธรรมทางฟิสิกของน้ำเท่านั้นน้าเมื่อถูกต้มก็จะกลายเป็นไอ แลไปเป็นเมฆต่อจากนั้นก็ตกลงมาเป็นฝนกลายเป็นน้ำอีกวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารของมันเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดน้ำก็จะต้องกลับมาเป็นน้ำอีกตราบใดที่มวลหรือตัวตนของมันยังไม่ถูกทำลายแต่มันจะกลับมาที่เก่าของมันหรือไปที่อื่นไม่มีใครทราบไอ้น้าที่ระเหยขึ้นมาจากมหาสมุทรอินเดียอาจกลายเป็นฝน ตกลงในประเทศอินเดียหรือประเทศจีนก็ได้แต่น้ำในโลกนี้ไม่มีทางสูญหายไปไหนตราบใดที่มวลหรือตัวตนของมันยังไม่ถูกทำลายตราบนั้นมันก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมคือความเป็นน้ำของมันอีกจนได้การทำลายมวลหรือตัวตนของสารารก็คือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางปรรมณูของมัน ซึ่งเรียกในภาษาวิทยาศาสตร์ว่า a อ o m i c ฟ i ชช i o n โดยยิงธาตุที่เป็นกลางเช่นนิวตรอนซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบอยู่ในตัวของมันเข้าไปนิวตรอนก็จะเข้าไปกระแทกโครงสร้างทางประจุูนั้นพังทลายลงจนหมดคุณสมบัติที่มันจะกลับมาเป็นธาตุเดิมอีกตอนนี้แหละพลังงานแฝงที่นอนนิ่งอยู่ในคันทะสันดานเป็นเวลาหลายแสนหลายล้านปีมาแล้ว ก็จะแสดงตัวออกมามวลทั้งหมดจะปราศภาพเป็นพลังงานขึ้นมาทันทีเป็นพลังงานมหาศาลที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนโลกยกย่องไอน์สไตน์ว่าเป็นปราฏเอกในทางฟิสิกเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกที่ค้นพบการทำลายมวลเมื่อสาสารถูกทำลายมวลหรือความเป็นตัวตนของมันจนสิ้นเชือ้อ ไม่ให้กลับมาเป็นธาตุเดิมของมันอีกมันก็จะคายพลังงานอันมหาศาลออกมาให้แก่ผู้ที่ทำลายมันการค้นพบของไอน์สไตน์นำไปสู่การสร้างระเบิดปรามานูที่มนุษย์นำมาใช้ทำลายกันหรือขู่กันในสงครามเย็นที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้กุฏิสาสนาชนเท่านั้นที่ทราบดีว่าพระพุทธเจ้าส่งค้นพบวิธีทำลายมวล คืนนามรูปได้ก่อนไอสไตน์ถึง2 0 0พันปีเศษการค้นพบของพระบ ร, รมศาสดานำไปสู่สันติและการพ้นทุกโดยสิ้นเชิงไม่ใช่สงครามอย่างนักวิทยาศาสตร์วิธีการทำลายมวลคืนนามรูปของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องใช้ทุนรอนอย่างมหาศาลเหมือนทางวิทยาศาสตร์ตรงกันข้ามวิธีการของพระองค์ กลับต้องดาเนินไปด้วยการเสียสละอย่างใหญ่หลวงด้วยการทาทั้งกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและต้องใช้ความเพียรอย่างสูงจึงจะสาเร็จได้วิธีการที่พระองค์ทรงนำมาสั่งสอนแก่สาวกและพุทธบริษัทก็คือพระมหาสติปัฏฐานสี่อันเป็นทางสายเอกและทางสายตรงเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะนาผู้ปฏิบัติ ไปสู่อิสราภาพอันทาวรหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัตรหลุดพ้นออกไปจากวัฏสงสารสิ้นเชื้อไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกโดยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความล่วงพ้นเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมวิเศษเพื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งในพระนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการดังนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นบุคคลแรกของโลกที่ทรงกอบกู้อิสราภาพให้หมวลมนุษย์ทั้งผองไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดนักถือศาสนาใดก็ตามถ้าได้ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแนะนาทางไว้แล้ว ก็จะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงอย่างถาวรหลุดพน้นออกไปจากวัฏฏดสงสารไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกมวลเป็นรากฐานที่สำคัญในทางวิทย า, าศาสตร์อย่างใดตัวตนหรือนามรูปก็เป็นรากฐานที่สำคัญในพระพุท ธ, ธศาสนาอย่างนั้นเพราะนามรูปเป็นตัวการที่สำคัญที่ทำให้เกิดอะไรต่ออะไรติดตามขึ้นมาอีกมากมายและเป็นตัวการสาคัญ ที่นำมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไปสู่การปฏิสนธิอีกการทำลายตัวตนหรือนามรูปให้สิ้นเชื้อไม่กลับมาเกิดอีกนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจนามรูปให้ดีเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติและความเข้าใจพระบ ร, รมศาสดา จ, จึงทรงจำแนกความจริงไว้เป็นสองสถานคือ 1. ความจริงบัญญัติอสูมทรู ได้แก่ความจริงที่สมมุติขึ้นเพื่อใช้เรียกช่วระยะเวลาจำกัดเมื่อธาตุทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ชั่วคราวเช่นพ่อแม่ลูกรถเรือเป็นต้นเมื่อธาตุทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์ความจริงอันนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยสองความจริงปรมัตจินวินทรู ได้แก่ความจริงถาวรสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะมีแต่รูปและนามเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอีกยกเว้นอรูปประพรมซึ่งมีแต่นามอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีรูปนามหรือนามธรรมาและรูปหรือรูปธรรม ท, ที่เป็นความจริงปรมัติ์นี้ ย่อมเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างอุปการะซึ่งกันและกันคือ น, นามย่อมอุปการะรูปแล้วรูปก็อุปการะนามนามที่ปรากฏโดยไม่มีรูปรองรับแล้วรูปที่ปรากฏโดยไม่มีนามรองรับย่อมหาได้ยากมากนี่เป็นความจริงในพระพุทธศาสนาและเป็นความจริงในทางวิทยาศาสตร์ด้วย ผู้ที่เคยศึกษาวิชาไฟฟ้ามาแล้วย่อมทราบดีว่าค่าต่างๆของไฟฟ้าสลับแม้จะไม่มีชีวิตมองไม่เห็นแต่ก็มีทั้งรูปและนามเกิดขึ้นร่วมกันเสมอเช่นตัวอย่างค่าของกระแสไฟฟ้าสลับดังสมการว่า i เท่ากับ3บวก j คูณ4 i คือกระแสไฟฟ้าสลับเท่ากับ3คือรูปธรรม บวกเจคูณ4คือนามธรรมซึ่งในที่นี้นับเป็นสมการที่ส3สามสมการที่13าคือค่าของกระแสไฟฟ้าสลับที่ปรากฏในวงจรไฟฟ้าที่มีคอนเดนเซอร์ประกอบอยู่ด้วยทำไมเราจึงทราบได้ทั้งๆ ท, ที่เรายัางไม่เห็นวงจรของมันเราทราบได้ก็เพราะมีเครื่องหมายบวกนำหน้านามธรรม เราก็เลยทราบต่อไปอีกว่าในวงจรนั้นกระแสนำหน้าแรงเคลื่อนอยู่เป็นมุมซึ่งสามารถคำนวณตามสมการได้53องศาถ้าเราเอาแอมมิเตอร์มาวัดค่าของกระแสไฟฟ้าที่ปรากฏในสมการที่สมแอมมิเตอร์จะอ่านได้เท่ากับ5แอมแปรและนี่คือความจริง ที่ยืนยันข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ารูปและนามยอมอุปการะซึ่งกันและกันค่าของกระแสไฟฟ้าสลับในสมการที่13ประกอบด้วยค่ารูปธรรม3แอมแปร์และค่านามธรรมสแอมแปร์ทั้งรูปและนามต่างอุปการะซึ่งกันและกันจึงทำให้แอมมิเตอร์อ่านได้5แอมแปร์ กระแสะไฟฟ้าสลับ5แอมแปร์ที่มีทั้งรูปและนามนี้เกิดดับอย่างรวดเร็วมากถึงวินาทีละ50ครั้งเมื่อกระแสะไฟฟ้านี้ไปผ่านไส้ของหลอดไฟฟ้าจะทําให้หลอดนั้นสว่างและเมื่ออยู่ตลอดเวลาวินาทีละ50ครั้งแต่ตาของเราดูไม่ทันจึงลายเห็นว่ามันสว่างอยู่ตลอดเวลากระแสะไฟฟ้าสลับที่มีแต่รูปธรรมอย่างเดียว โดยไม่มีนามธรรมมาร่วมด้วยคือวงจรที่มีแต่เพียว resistance ย่อมหาได้ยากมากใน ว, วงจรไฟฟ้าสลับและกระสาไฟฟ้าสลับที่มีแต่นามธรรมอย่างเดียวโดยไม่มีรูปธรรมมาร่วมด้วยคือวงจรที่มีแต่เพียว capacitance หรือเพียว i n t a ย่อมหาได้ยากอย่างยิ่งและเป็นการยืนยันว่าความจริงในพระพุทธศาสนาก็คือความจริงในวิทยาศาสตร์ด้วย ผู้ที่สแสวงหาธรรมหรือปัญญาชั้นสูงจึงต้องศึกษาและฝึกกำหนดนามและรูปเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วต่อไปการที่จะทำลายนามรูปให้สิ้นเชื้อก็จะง่ายเข้าการฝึกกำหนดบางกรณีก็ทำได้ง่ายบางกรณีก็ทำได้ยากมากเช่นอิริยาบถ ท, ทุกอย่างของมนุษย์ก็มีทั้งนามและรูปการตั้งสติกำหนดลมใใจเข้าออกคืออาณาปานาสติ ก็มีทั้งนามและรูปผู้ที่เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วย่อมทราบดีมีข้อที่ควรคิดอีกข้อหนึ่งก็คือพระอระหันต์เป็นจํานวนมากยกเว้นพระอระหันต์ประเภทสุขวิปัสสกะซึ่งเป็นพวกปัญญาวิมุตติพระอระหันต์เป็นจํานวนมากท่านมีอภิญยาทั้งห มีอิทธิวิธีสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้นับเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับคนในสมัยปัจจุบันแต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีบุคคลที่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้นั้นก็เพราะท่านได้ทำลายตัวตนหรือน้มรูปลงจนสิ้นเชื้อไม่กลับมาปฏิสนธิอีกท่านก็ได้พลังงานมหาศาลจากการทำลายมวลคือน้มรูป การนำพลังงานอนมหาศาลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในบางโอกาสนั้นจะนับว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ควรคิดขอให้ลองพิจารณาสมการที่สองสามและเจ็ที่ไอสไตน์ได้ค้นพบและบัญญัติขึ้นก็จะเห็นได้ว่าไอสไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกที่ได้ค้นพบกฎความจริงของธรรมชาติว่า มวล น, นั้นเป็นอนิจจังคือไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วและเป็นอนัตตาคือแตกดับทำลายได้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นการขัดแย้งกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ซึ่งเชื่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่ามวล น, นั้นเป็นนิสและเป็นอัตตาอยู่โยงคงกระพันไม่มีใครมีอำนาจที่จะทำลายมวลได้ แต่ไอสตายหาได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ค้นพบสัจธรรมเหล่านี้ไหม่พระพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้ส่งค้นพบกฎความจริงของธรรมชาติว่ามวลคือน้ำและรูปนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์คือเป็นทั้งอนิจจังทุกขังและอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของมัน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วยอมแปรปลีนไปในถํากลางและแตกดับทำลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนนันแท้จริงให้ยึดถือได้เลยไอน์สไตน์ได้ค้นพบสัจธรรมของธรรมชาติเหล่านี้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือในปีพุทธศักราช2459เมื่อเสร็จสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วทฤษฎีใหม่ของไอน์สไตน์ก็แพร่หลายไปทั่วยุโรป ในประเทศอังกฤษนั้นตื่นเต้นมากเพราะนิวตันซึ่งเป็นคนอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟิสิกส์เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อว่ามวล น, นั้นเป็นนิดและเป็นอัตราไม่มีใครมีอำนาจที่จะทำลายมวลได้และทำให้คนอื่นๆปล่อยเชื่อตามนั้นไปด้วยหนังสือพิมพ์ t ท m e s ของอังกฤษฉบับประจำวันที่7พฤศจิกายน พุศ2462ได้ลงข่าวพาดหัวว่าเกิดการปฏิวัติครั้งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์กฎต่างๆที่นิวตันได้บันยัดไว้ใช้ไม่ได้เสียแล้วการที่จะกล่าวว่ากฎต่างๆที่นิวตันได้บันยัดไว้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดก็ดูจะไม่ถูกต้องนักท่านนิวตันเป็นยอดอัจฉริยะไม่เฉพาะแต่ทางด้านฟิสิกส์เท่านั้น แต่ในทางคณิตศาสตร์ด้วยเช่นเป็นผู้ให้กำเนิด Differential c a แ c ล l u s และ b บลโนเมียลที่อาและอื่นๆท่านเป็นผู้บัญญัติสูตรและกฎเกณฑ์ต่างๆไว้มากมายทั้งฟิสิกส์และคณิตศาสต ร, แสตร์แต่สูตรและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านได้บัญญัติขึ้นไว้ส่วนมากใช้ได้ดีเฉพาะแต่โลกยะฟิสิกส์เท่านั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่คิดที่จะออกไปนอกโลก หรืศึกษาเกี่ยวกับวัตถุนอกโลกแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆของนิวตันยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่พอถึงโลกอุตรัฟิสิก์คือฟิสิก์ที่เกี่ยวกับวัตถุนอกโลกหรือการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงมากที่ไม่สามารถปฏิบัติได้บนพื้นโลกและในบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกนั้นนํามาใช้ไม่ได้เช่น การคำนวณหาตำแหน่งของดาวต่างๆบนท้องฟ้าโดยใช้กฎของนิวตันก็ดีของเคปเลอร์ก็ดีจึงผิดพลาดไปอย่างน่าเสียดายสาเหตุของการผิดพลาดของปราชทั้งสองท่านก็เพราะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในโลกมนุษย์ที่ท่านอาศัยอยู่ท่านจึงเอาโลกมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางสำหรับคำนวณหาการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆบนท้องฟ้า แต่จุดศูนย์กลางของท่านหาได้เป็นจุดนิ่งในอวกาศไม่แต่กลับเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วสูงถึงส0กิโลเมตรต่อวินาทีตำแหน่งต่างๆของดวงดาวที่คำนวณหาออกมาได้จึงเป็นเพียงตำแหน่งสัมพันธ์เท่านั้นผิดกับตำแหน่งจริงๆไปหลายองศาการเดินเรือก็ดีการเดิอนอากาศก็ดีตลอดจนการทำแผนที่ซึ่งต้องอาศัยวิชาดาราศาสตร์ในสมัยก่อน จึงประสบความยุ่งยากเป็นนั้นมากถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็เหมือนกับเรานั่งอยู่บนรถที่เคลื่อนที่และพยายามวัดความเร็วของรถคันอื่นๆที่ผ่านไปมาความเร็วที่เราวัดได้จะเป็นเพียงความเร็วสัมพันธ์เท่านั้นไม่ใช่ความเร็วจริงถ้าต้องการจะทราบความเร็วจริงแล้วผู้วัดจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่จึงจะสามารถวัดหาความเร็วจริง ของยวดยานต่างๆที่ผ่านไปมาได้พระบรมศาสดาและท่านไอนสต่ายนับเป็นมหาบุรุษสองท่านแรกของโลกที่ได้เอาตัวของท่านออกอยู่นอกโลกไปสู่จุดนิ่งในความว่างเปล่าของอวกาศพ้นจากความดึงดูดของจักรวาลใดๆทั้งสิน้นแลมองมาสู่โลกมนุษย์ จึงลายเห็นชีวิตต่างๆได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงคือ true life ถ้าตราบใดยังติดอยู่ในโลกนี้จะลายเห็นชีวิตต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ได้จะลายเห็นได้ก็เฉพาะชีวิตสัมพันธ์คือ relative life เท่านั้นการออกไปโครจรในอวกาศรอบโลกที่มนุษย์กระทำได้แล้วในปัจจุบันนี้ ยังเป็นเพียงการทดลองด้วยความเร็วต่ำๆยังไม่สูงมากพอที่จะทำให้นักบินอวกาศรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเวลามวลและมิติในการโคจรรอบโลกนี้นักบินอวกาศจะต้องพยายามรักษาความเร็วของยานอาวกาศให้อยู่ในระหว่าง 7.9 ถึง 11.18 กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่เสมอ ด้วยความเร็วขนาดนี้แรงเวียงออกกับแรงดึงดูดของโลกก็จะเท่ากันพอดีวัตถุทุกชนิดจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักมนุษย์อวกาศก็จะออกมาปีนปลายเล่นรอบรอบยานอาวกาศของตัวเองได้โดยไม่ตกลงมาสู่โลกถ้าความเร็วของยานอาวกาศลดลงมาต่ำกว่า7จ็ก้ิโลเมตรต่อวินาทีแรงดึงดูดของโลกก็จะชนะแรงเวียงออก ยานอาวกาศจะตกลงสู่พื้นโลกด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นเมื่อผ่านเข้ามาเสียสีกับบรรยากาศของโลกอาจร้อนจัดจนไม่หมดทั้งลำได้ถ้าความเร็วของยานอาวกาศสูงกว่า 11.18 กิโลเมตรต่อวินาทีแรงเบี่ยงออกก็จะชนะแรงดึงดูดของโลกยานอาวกาศจะหลุดออกไปนอกโลกกลายเป็นดาวนูพะครา์ หรือดาวบริวารอีกดวงหนึ่งของพระอาทิตย์ไม่มีทางที่จะกลับเข้ามาสู่โลกนี้ได้อีกการค้นพบที่ทำให้คนทั้งโลกต้องประหลาดใจเมื่อไอน์สไตน์ประกาศออกมาว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโคง้งผู้ที่เคยศึกษาเรื่องของแสงในวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับโฟโตเมตรี กระจกเว้วนูนเลนเว้วนูนมาแล้วยอมทราบดีว่าแสงต้องเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอความจริงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อแสงเดินทางเป็นระยะสั้นๆแต่เมื่อแสงต้องเดินทางไกลมากเป็นระยะทางห ล, หลายๆปีแสงแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงก่อนแต่ถ้ามีมวลขนาดใหญ่มาขวางทางของมันแล้วมันก็จะเดินอ้อมมวล น, นั้น ความจริงข้อนี้จะพิสูจน์ได้เมื่อเกิดสุริยปราคาเต็มดวงบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างก็จะพากันไปสู่ยังจุดที่คาดว่าจะแลายเห็นกลาเต็มดวงเพื่อบันทึกภาพในขณะที่ดวงอาทิตย์ถูกบังจนมืดหมดทั้งดวงภาพถ่ายที่ปรากฏจะลายเห็นดวงดาวที่อยู่หลังดวงอาทิตย์ซึ่งตามธรรมดาแล้วจะลายเห็นไม่ได้เพราะดวงอาทิตย์ทั้งดวงบังอยู่ ที่เราเห็นได้เพราะแสงเดินอ้อมดวงอาทิตย์มาเข้ากล้องบันทึกภาพซึ่งเป็นการยืนยันการค้นพบของไอสไตน์ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งจริงถ้ามนุษย์สามารถออกเดินทางจากโลกนี้ไปสู่ดาวดวงอื่นๆได้เมื่อใดสัจธรรมในพุทธศาสนาก็คงจะปรากฏออกมาให้เห็นได้ชัด ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ปลงใจเชื่อนักในบางส่วนของพุทธศาสนาเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์ยังล้าหลังพระพุทธศาสนาอยู่มากนั่นเอง